อาจจะพูดในส่วนของภาคปริยัติซึ่งมีเนื้อความที่เกี่ยวข้องกับการแผ่เมตตาบางสูตรก็แสดงถึงวิธีการแผ่เมตตาบางสูตรก็แสดงถึงผลของการแผ่เมตตาและบางสูตรก็พูดถึงวิธีที่จะแผ่เมตตาเพื่อผลอย่างใดว่าอย่างไรอ่าอย่างเช่นในบางสูตรที่ยังไม่ได้เอามา ให้ท่านไดศึกษากันเนี่ยคงจะเป็นเก่าวก่าวหน้านะฮะว่าบุคคลที่ไปอยู่ป่าหรือไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งก็ได้แต่เป็นทำไม่ก่อนก็พระพิสูจน์ไปอยู่ป่าแล้วก็ไปถูกงูกัดบ้างไปถูกพูดผีหลอกบ้างตัวพระเจ้าก็สอนให้แผลเมตตาและบทสอนเนี่ยท่านก็จะสอนให้พรา น, เ, นเอาไปสวดบ้างเอาไปไปแผ่บ้างและ บทสวดเหล่านั้นระรุ่มหลังหมายถึงพระ บ, บรณาณจารย์ในบ้านเมืองเราความจริงก็ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมาแล้วท่านเอามาใช้เป็นบทสวดพระปริศในประเทศลังกาก็าสวดกันในหนังสือสวดมนต์ถ้าจะไปหาอ่านนะฮะก็มีในสวดมนต์แปลที่เรียกว่าขันธปริันธปริศในหมายถึง ประิทที่กล่าวถึงการแผ่เมตตาแบบป้องกันตัวเองให้พ้นจากภัยต่างๆก็ถ้าไม่ไปอ่านเองผมก็จะถ่ายทาเป็นเอกสารมาให้โดยไปค้นมาจากพระไตรปิฎกอีกทีหนึ่งว่าที่อ้างนันอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ว่าในตอนนีนะ้เราดูเนื้อความที่เกี่ยวกับอันิสงเมตตาเราคงจะเคยได้ยินมาแ ล, แล้วว่าเมตตานั้มีอันิสงหรือเอปการ แต่ว่าในติเบประการนั้นออยู่ที่ใดแห่งพระไตรปิฎกนั้นในที่นี้ก็ได้บอกไว้มีชื่อว่าเมตตาสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่222ก็สอง ท, ท, ทั้งนั้นอ่ะสองห้าตัวเลยพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอานใสงฆ์ของเมตตาแก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้วทําให้มากแล้วทําให้เป็นดุจหยานทําให้เป็นที่ตั้งให้ตั้งมั่นโดยลําดับสั่งสมดีแล้วตารบดีแล้วพึงหวังานิสงสิบเอ็ดประการสิเอ็ดประการเป็นไขนอ่ะนี่ก็เป็นบทเบื้องต้นเราจะสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าเมตตาเจโตวิมุตคําว่าเจโตนั้นเป็นชื่อของสมาธิ เหมือนที่เราได้ยินคําว่าศีลจิตแล้วก็ปัญญาที่ใช้คําว่าจิตอธิจิตอาทิอธิจิตสิกขาเนี่ยหมายถึงสมาธิเจโตก็หมายถึงสมาธิจิตจิตที่เป็นสมาธิวิมุตินั้นหมายถึงความหลุดพ้นเจโตวิมุต tn ี่ยหมายถึงสมาธิที่ถึงขั้นสําเร็จถึงขั้นสําเร็จก็คือสมาธิที่ถึงขั้นฌาน น, นี่ถือว่าเป็นสมาธิที่ถึงจุดสมบูรณ์และอานิสงส์ที่พึงได้จากการทํามสมาธิมีเท่าใหผู้ที่ทํามสมาธิถึงขั้นเจตุลมุดนั้นจะได้รับอานิสงส์สมบูรณ์เท่านั้นเพียงนั้นทีนี้การทํามสมาธิเนี่ยเขาก็จะมีอารมณ์กําหนดต่างๆกันเช่นกําหนดลมหายใจก็เป็นอาณาปานะอาณาปานะตติที่เรียกอนาณาปานะตติสมาธิที่มีลมหายใจเข้าออก แล้วก็สมาธิที่เพ่งพุทธคุณก็เรียกว่าพุทธานุสติภาพเพ่งดวงกสินต่างๆเช่นกระสินปฐวีก็เรียกว่าปฐวีกสินเป็นกระสินสีก็เรียกว่าวันณกะสินมีโลหิตากสินสีแดงอย่างนี้เป็นต้นก็เรียกว่าสมาธิเป็นอันเดียวกันแต่อารมณ์ต่างกันที่อย่างที่เราเข้าใจว่าการทําสมาธินั้นทําได้โดยการเพ่งอารมณ์หลายหลากต่างกัน การแผ่เมตตานั้นเป็นการเป็นวิธีการฝึกสมาธิแบบหนึ่งผู้ใดที่แผ่เมตตาจนได้สมาธิถึงขั้นสมบูรณ์คือขั้นฌานก็เรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติก็เลยขอสรุปให้จำง่ายๆว่าคนที่ได้ฌานด้วย ก, การแผ่เมตตาฌานของท่านผู้นั้นเรียกว่าเมตตาเจโตวิมุตติ จำไมานะฮะเวลาไปได้ยินเขาว่าเมตตาเจตโตที่หมดในที่ใดของพระไตรปิฎกเนี่ยก็ขอให้เข้าใจว่าคือการที่บุคคลได้บรรลุฌานด้วยการแผ่เมตตาแต่การที่คนแผ่เมตตาและบรรลุฌานได้ก็เริ่มมาจากการที่เราแผ่เมตตาตั้งแต่สมาธิยังเป็นเบื้องตน้นเหมือนอย่าที่เราแผ่กันทุกวันเนี่ยครับปิดก็เป็นสมาธิก็เพียงแต่ว่าสมาธิที่เราได้ จากการแผ่เมตตานั้นไม่ถึงขั้นฌานแต่คนจะได้ฌานก็ต้องเริ่มจากการฝึกหัดอย่างนี้ไปก่อนแต่ที่เมื่อคนด้านสมาธิเนี่ยอาํานาจหรือพลังของสมาธิเป็นอย่างไรนั้นย่อมแตกต่างไปตามอารมณ์คือหมายา็ว่าใครทําสมาธิ ด, ด้วยอารมณ์แบบไหนพลังจิตของท่านผู้นั้นก็จะมีลักษณะพิเศษไปตามลักษณะของอารมณ์ เป็นคนที่เพ่งเพ่งกะสินถ้าเป็นกะสินดินปฐวีกะสินพวกนี้ก็สามารถที่จะเก่งในทางอยู่ยงของพันยาตรีหรือทำของเหลวให้กลายเป็นของแข็งน่้ดยดะถ้าเป็นคนเพ่งสีก็สามารถที่จะอธิษฐานจำแรงแปลงสีแปลงสี ของสิ่งหนึ่งให้เป็นอีกสิ่งหนึ่งหรือแปลงสีตัวจากสีหนึ่งเป็นสีหนึ่งได้เสื้อผ้าอะไรก็ได้ทั้งนั้นอันนั้นก็ถือว่าเป็นพลังพิเศษแต่เมตานั้นก็มีพลังพิเศษพ ร, รจะพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงพลังพิเศษของสมาธิที่มีเมตตาเป็นอารมณ์ไว้อผมผมอยากจะพูดย้ำอย่างที่อาจจะเคยพูดมาแล้วว่าคนทําสมาธิจะด้วยเพ่งอารมณ์อะไรก็ตาม จะมีพลังเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือพลังร่วมพลังร่วมหมายความว่าทําสมาธิแบบไหนก็ตามจะมีพลังร่วมกันเหมือนกันเช่นว่าเป็นคนที่มีจิตตั้งมั่นคือจิตมั่นคงนี่นะเป็นพลังร่วมอันหนึ่งหรือมีความสุขเกิดปิติเกิดสุขอันนี้ก็เป็นพลังร่วมอันหนึ่งเราจะทําแบบไหนก็มีความสุขทางนั้นแล้วก็พลังในทางการข่มกิเลส กิเลสเช่นว่าความฟุ้งซ่านความพยายาทความ่วงเหงาเหงานอนเนี่ยสมาธิทุกตัวก็ขคงนิวรรนอ้าเหล่านี้ได้เหมือนกันอันนั้นเป็นพลังร่วมของการฝึกสมาธิส่วนพลังเฉพาะเนี่ยจะเป็นลักษณะพิเศษเลยอย่างที่เราเห็นว่าพระพิ ส, สุรูปใดที่เป็นเป็นพระกรรมฐานเนี่ยยกตัวอย่างเราที่เราเรียกว่าพระกรรมฐานบางองค์มีลักษณะทางขลัง บางองค์มีลักษณะทางเมตตาใช่ไหมบางองค์มีลักษณะทางทางปัญญาทางด้วยืแตกต่างกันไปที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเราตอบได้เลยครับกาหนดรู้ได้เลยว่าเป็นเพราะว่าการเล่นสมาธิของท่านเหล่านั้นมีอารมณ์ที่เป็นจุดเล่นต่างกันหลวงพ่อปูนนั้นดีทางไหนดีทางเมตตาใช่ไหมลักษณะทางเมตตาแล้วก็ลักษณะทางกลาง ถหลวงพ่อูมีลักษณะทางกลางถ้าเป็นหลวงพ่อโตมีลักษณะทางกลางออกหน้าเมตตาก็อาจมีบัาง แ, แล้วก็ท่านผู้อื่นบางองค์ก็เป็นพระอาจารย์กลังขลังอย่างเดียวเลยอย่างหลวงพ่อแลที่เพ็รบุรีท่านก็มีเน้นไปในทางกลางแต่ตัวท่านเองก็มีบุคลิกทางเมตตาอยู่บ้าง แต่ความขลังออกหน้าก็นับถือทางความขลังในในพระป่าหลายหลายรูปเนี่ยถ้าสังเกตดูก็มีลักษณะเป็นจุดเด่นต่างกันแต่แต่ก็ต้องบอกว่าบางคนนนั้มีลักษณะหลายหลายหลายอย่างเนี่ยปนรวมอยู่ในองค์เดียวกันเพราะว่าท่านทําหลายอารมณ์ทีนี้เวลาแผ่เมตตาถ้าใครแผ่เมตตาด้วยจิตทิพ เป็นสมาธิที่ยังไม่ถึงขั้นชาญอานิสงส์ที่พึงได้เหล่านี้ก็ลดหย่อนไปตามส่วนเราถึงไม่อาจจะรับรองได้ว่าคนแผลเมตตาบางคนจะหลับเป็นสุขบางคนไปแผลแผลเลยหลัเลยน้อยไม่หลับเลยบางคนก็บอกว่า พ, พราะแผลเลยเลยเป็นห่วงห่วงลูกห่วงลูกว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เลยนอนกายนะ่าพาคืนนะั้นอนไม่หลับเลย ก็เป็นห่วงก็เลยชักจะไม่ค่อยแน่ใจซะแล้วนะว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าและแม้แต่ข้ออื่นๆเนี่ยคนที่แผลเมตตาบางทีก็เพราะมีเมตตาเนี่ยก็เลยโดนเขาเอารัดเอาเปรียบเอานะก็เขาก็รักเหมือนกันรักแบบรอลิงรองลิงหรืเจ้าอันจะเอาลัดเอาเปรียบแล้วก็แอแม้แต่เรื่องผลอื่นๆ แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยครับก็จะลดหลั่นไม่แน่ไม่แน่ม่นอนเพราะฉะนั้นการที่เราจะแผ่เมตตาและจะหวังผลอะไรได้แค่ไหนเนี่ยขอให้ให้นึกเผื่อตรงนี้ไว้ด้วยคือ ห, หลักนึกเนี่ยคือหนึ่งเรามีพื้นฐานทางกรรมทางพฤติกรรมพื้นฐานเนี่ยนะะเราจะเรียกรวมๆว่าเป็นกรรมหรือพฤติกรรมพื้นฐานยังไงยกตัวอย่างเช่นว่า บางคนเนี่ยเขาไม่ได้าไม่รู้ว่าแผลไม่ตายไงแต่เป็นคนที่มีลักษณะทางมิตรภาพดีในทางสังคมเนี่ยคนพวกนี้ถ้าไปแพลแม่ตาแล้วขึ้นสูงเลยเพราะว่าไม่แผลยังคนก็มามลุมรักไปแล้วนะบางคนก็เป็นคนในหัวถึงหมอนแล้วหลับไม่ไม่ต้องแพลก็หลับเป็นสุขเลยแหละหลับไม่อยากจะตื่นถ้าแพลก็เลยสบายอันนั้นเรียกว่าเป็นพื้นฐานทางําของแต่ละคน ถ้าไปแผ่เมตตาก็จะเป็นเป็นตัวสือทีนี้ถ้าหากว่าพื้นฐานทางกรรมของบุคคลนั้นมีข้อบกพร่องการแผ่เมตตาจะให้ได้ผลต้องมีพลังของเมตตามากกว่าปกติจึงจะมีผลถูดนี้ก็ว่าเป็นอย่างลง้วมๆแ้วก็เรามาดูว่าจะอธิบายไปตามกรอบตามคัดลองเหตุผลโดยลาดับสิเข้อ หนึ่งที่ว่าย่อมหลับเป็นสุขอธิบายแบบเหตุผลทางทางทางจิตวิทยาธรรมดาเนี่ยนะ ค, ะคนที่มีความคิดอาฆาตเคียดแค้นรืกพูดงาว่าที่ถือสาให้อาภัยคนไม่เป็นเนี่ยให้อาภัยคนยากเนี่ยคมตาให้หลับยากเข้าไหม แค่เราขับรถวันนั้นไปโฉบไปเกี่ยวกันแล้วก็ไม่อภัยก็ไม่ได้เนี่ยนะเข้าใจก็ไม่ได้กลับบ้านหัวใจเต้นแลงนอนไม่หลับใช่ไหมฮหรือว่าพูดติดหูกันนิดหนึ่งขนาดแยกข้องนนอนแล้วยังต่างคนยังไม่หลับหมายถึงสามีภรรยาเกิดมีอะไรผิดใจกันนิดหนึ่งนอนไม่ไม่หลับแต่โดยมากจะเป็นหนึ่งข้างข้งรูปภาพสติแล้วมากว่ากดปริภรูณลำบ น, นี้ถ้าเราเป็นคนที่อให้อภัยคนเข้าใจคนมีความรักความปรารถนาดีต่อคนเนี่ยเอาแค่เราให้อภัยคนเท่านั้นน่ะกลับบ้านจะนอนหลับคือเป็นคนที่ไม่มีกังวลจะนอนหลับง่ายอาันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักธรรมดาเพราะฉะนั้นคนที่แผ่เมตตาแล้วเนี่ยเมื่ออธิบายแบบธรรมะนั่นหนึ่งนกวรไม่กวน คือปยาปาทานีวอไม่กวนนะอุจจาระกูจาระไม่กวรก็ก็ทาให้หลับง่ายแล้วแล้วก็สองคนที่จิตเป็นสมาธิคนที่เวลาแฝ่ไมตาจิตเป็นสมาธิเวลาจิตเป็นสมาธิเนี่ยหลับง่ายอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาใครที่มีลูกหลานหรือคนข้างเคียงนอนไม่หลับ ให้บังคับให้ทําสมาธิจะหลับ ง, ง่ายบางทีพอบอกให้ทำสมาธิรีบหลับเพราะว่ากลัวการทำสมาธิเด็กๆนีะทุกคนอ่ะที่ขี้เกียจอ่ะบอกมาทำมาทำนอนปิกไปไปิกมาแบบนี้ทำไไม่หลับลูกขึ้นมาทำสมาธินอนเงียบลลเลยหลับเลยถ้าได้ผลดีตัวพอบอกให้ทำสมาธิิตคงโลมตัว รวมตัวเองเลยหลับเลยอ่ะดีพะยะแต่นี่ท่านบอกว่าไม่ใช่ไม่ได้ใช้คําว่าหลับง่ายหรือยากนะท่านใช้คําว่าหลับเป็นสุขทีนี้ลักษณะหลับเป็นสุขเนี่ยต้องเป็นคนที่เมื่อประสงค์จะหลับก็หลับได้คือหลับง่ายนั่นเองนะท่านไม่ได้พูดว่านอนน้อยหรือนอนมากนะเมื่อประสงค์จะหลับก็หลับได้ดังใจประสงค์เรียกว่าหลับง่ายแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะตัวอย่างหนึ่งและในระหว่างนั้นหลับอย่างต่อเนื่อง ก็ทำให้คนนั้นนอนหลับเป็นสุขอันนี้เป็นธรรมดาของการหลับที่ดีครับ <c oughs> ทีนี้เมื่อหลับเป็นสุขแล้วท่านก็ว่าต่อมาว่าย่อมตื่นเป็นสุขตื่นเป็นสุขนั้นก็เห็นจะสืบเนื่องกับการหลับเป็นสุขนั่นเองเพคนที่หลับเป็นสุขแล้วก็ย่อมจะตื่นเป็นสุขนีห่า ถามว่าเวลาที่เราหลับเป็นสุขและตื่นเป็นสุขเนี่ยมันสุขกายหรือสุขใจหรือสุขทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างใช่ไหมเวลาเราเป็นทุกข์เนี่ยเป็นทุกข์ทั้งสองอย่างถูกไหมมีใครบางที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยมึนทุ ก, ท, กทุกวันมึนเปรี้ยตทงกวันหรือเมื่อยปวดกระดูกทุกวันปวดเดทียไปถึงกระดูกนะบางคนเป็นอย่างนั้นน่ะบางคนก็บางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็น บางบางทีก็ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกมันเครียดตามตัวเนี่ยอันนั้นก็ตื่นไม่เป็นสุขทีนี้เมื่อร่างกายมันไม่เป็นสุขนกขจิตใจก็พลอยไม่เป็นสุขด้วยก็เป็นของอเกี่ยวข้องกันแต่ <c oughs> การแผ่เมตตานั้นเป็นการจัดแจงทางจิตพูดถึงตัวเหตุนะครแต่เมื่อบุคคลเป็นสุขในขณะหลับและในขณะตื่นนั้นย่อมเป็นสุขทั้งกายและจิตคู่กัน และ ว, ว่าถ้าจะพึงไม่เป็นสุขบ้าง <c oughs> สำหรับในบางคนก็อาจจะเป็นที่ร่างกายเช่นว่าเก็บแค่ได้ป่วยนี้นะตาที่ตาพาดซึ่งก็ไม่เป็นปนัญหาอะไรมากนะนี่เป็นอนในสงข้อที่สองอนันในส่งข้อหนึ่งบาลีคำหลังกับฝาเนี่ยให้แก้เป็นสุขปัดสุขอกอไก่แมนากาศเนี่ย ที่ถูกคือซอสเสือคารออ่านว่าสุปฏิแปลว่าย่อมหลับสุ ข, ขังเป็นสุสุปานแปลว่าหลับเหือนที่สุปาพุทธะสุปาพุทธะแปลว่าผู้ตื่นในเวลาหลับสุปาพุทธะกุติที่เป็นโรค ก, กุตัง เวลานอนแล้วก็ต้องเกาแสลคันหลับห ล, ลับตื่นตื่นเขาเด้ยเรียกว่าสุปราสุปราแปล ว, ว่าหลับพุทธะแปล ว, ว่าตื่นกุฏีแปล ว, ว่าผู้เป็นโลกโลกกุฏังคือหลับหลับตื่นในเวลาหลับเพราะโลกกุฏัง ที่สามย่อมไฝฝันลามกถ้าย่อมไม่ฝันลามกคำว่าฝันลามกลามกนั้นท่านแปลมาจากภาษาบาลีว่าปาปังฝันบาลีก็ใช้คำว่าสุบินบาลีจริงๆก็เป็นสุบินเนี่ย ส, สยนะุปินาสุปินังเนะปัสสตินะันแปลว่าเห็น ก็คือฝันเห็นสิ่งลามกุกนี่เขาแปลแบบรักความเขาฝันลามกุกนะปฏิเสธว่าไม่ไม่ฝันลามกุกฝันลามกุกอย่าไปนึกถึงเรื่องเฉพาะอย่างแต่ท่านหมายถึงฝันเห็นสิ่งที่เป็นบาปอันหนึ่งจะเป็นว่าฝันว่าถูกเขาฆ่าก็าดีฝันว่าฆ่าเขาก็าดีหรือฝันว่า <c oughs> ในเรื่องพฤติกรรมดังเพศก็ดี เรียกว่าเป็นลักษณะฝันทางบาปทั้งนั้นและแม้บาปอื่นๆนะครับทั้งนั้นเลยเรียกว่าเป็นการฝันในทางบาปแล้วก็ไอความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะนั้นก็สมคล้อยไปกับลักษณะอารมณ์ที่เราฝันถึงเช่นว่าเราฝันว่ามีคนมาฆ่าเราเราก็เกิดความกลัวตกอกตกใจก็เป็นลักษณะของความฝันลามกอย่างนั้นทีนี้เอเราก็มาพูดถึงว่า การที่เราฝันเห็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเสียหายอะไรเราเคยคิดมามันเสียหายอะไรเช่นเราฝันว่าโดนเขาฆ่าเนี่ยกระเตือนใจบ้างไหมกระเตือนนะแล้วแต่ถ้าเราฝันว่าคนเป็นที่รักของเราเนี่ยตายจากไปกระเตือนใจไหมกระเทือนนะแล้ว ฝันว่าถูกไฟไหม้บ้านแล้วยิ่งฝันว่าฟันหักฝัน่ะเพก็ถ้าจริงเป็นคนเชื่อนะฮะเขารู้สึกว่ากระเดือนใจนี่จริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้แต่ว่าผมได้รู้จักบางคนที่ฝันแล้วเป็นจริงตรงนี้ก็เป็นพรประพัด <Okay. S 1> เพราะเป็นพรประหวัตทางฝันฝันแล้วเป็นจริงอะ่ะทั้งดีทั้งไม่ดีจริงหมดเพราะว่าเอาไม่ว่าจะทั้งอ้อนใจไม่ว่าจะฝันฝันแล้วเป็นจริงเลย หน้ากลัวมากคนพวกนี้โกรธนั่นพูดตั้งแต่เรากลัวนะกลัวจะมาฝันเราในทางไม่ดีี่พูดถึงแทนความรู้สึกของคนข้างเคียงทีนี้ถ้าเราเป็นคนเชื่อถือเรื่องฝันฝันเนี่ยเราก็อาจจะเสียความรู้สึกอะไรไปได้เยอะทีเดียวถ้าเราฝันถึงสิ่งที่ไม่ดีถ้าฝันถึงสิ่งที่ดีมันก็ดีไปแต่เอาเถอะครับว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามการที่เราฝันถึง สิ่ไม่ดีนั้นมันทําให้เกิดเสียปกติภาพทางจิตอย่างที่เราฝันในเรื่องที่น่ากวาดกลัวทั้งหลายเนี่ยนะสุขภาพทางจิตและปกติภาพทางจิตเราเสียไปอันหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่คนฝันมากๆเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ทําให้เรานอนน้อย น ะ, ะแค่มั้นไอเราก็ไม่รู้อ่ะทำไมบางคนเนี่ยเขาถึงช่างฝันเสียจริงๆเคยมีเพื่อนผูกไหมครับที่เป็นคนฝันเก่งมากฝันเก่งกี่ไม่ใช่ดีนะคือฝันได้หลับเมื่อไหร่ฝันมานะผมเคยนั่งรถไปต่างจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็ไปจอดรถที่แถวนครธวัฒนผมขอเวลาครับสิบนาทีเพื่อที่จะโทรศัพท์ มานรงเพพอเข้าไปเขาเขาฝันเล่ายอมเหยียดเลยฝันเป็นตัวเป็นตากึ่งหลับเมื่อไหร่ฝันมานั้นนี้เราก็มาคิดในแะง่ธรรมะว่าเออทำไมทาไมคนบางคนซึ่งมีลักษณะฝันง่ายลรวฝันแล้วเริ่ดเติงไงนะก็พิเคราะห์ดูแล้วก็ได้ความว่า <c oughs> คนใดที่เป็นคนสภาพกิจ อ่อนแออ่อนไหวหรือเสื่อมหน่อยไม่แกข่งนนะเนี่ยนะปีกจิตมีตำเหนีย์เราเรียกว่าจิตเป็นตำเหนียจะเป็นคนฝันง่ายฝันเรอะเลอะทถิดฝันได้ความสุกเมือ่อถ้าเป็นอาจารย์ใบหัวคงดีง่แต่คนที่สภาพจิต ด, ดีเนี่ยกลับเป็นคนที่ฝันยากและถ้าเป็นพระล้านนี่ไม่ฝันเลยดีก็ไม่ฝันชั่วไม่ฝันเพราะว่าในทางหลักนี่ก็ถือว่า ความฝันน่ะเป็นความปราศจากความควบคุมทางจิตชนิดนึงคนที่ควบคุมจิตได้เนี่ยมันควบคุมจิตตื่นควบคุมจิตหลับควบคุมแม่ฝันหรือควบคุมให้ฝันว่ายังไงแต่เราเราไม่เคยควบคุมตัวเองนะแต่ว่า <c oughs> ในการในการสะกดจิตเนี่ยทําได้คือสั่งให้ฝันว่ายังไงสั่งให้ฝันเนี่ยยกหูโทรศัพท์ซะก่อนนะคือนี้ให้ฝันว่ายังไงฝันตามตามคําสั่งได้ มันก็เป็นลักษณะที่คนอื่นเขาเข้ามาทําให้ฝัน <c oughs> การดนใจให้ฝันถึงมีแต่ในนี้บอกว่าไม่ฝันสิ่งที่เป็นบาปฝันสิ่งที่เป็นบุญเป็นดีนั้นก็ไม่เป็นข้อที่ท่านห้ามไว้คือห้ามไว้เฉพาะฝันที่ไม่ดีข้อสี่ ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายไอต้ตรงนี้ก็เห็นจะเป็นเรื่องธรรมดาที่เรารู้กันดีในเรื่องของเมตตาเนี่ยว่าคนที่แผ่เมตตาเวลาเราแผ่เมตตาเนี่ยเราก็แผ่ไปให้กับสิ่งมีชีวิตใช่ไหมฮก็มีทั้งมนุษย์มีทั้งธรรมนุษย์อย่างที่เราฝึกๆกันมาเนี่ยครับนี่เมื่อ <c oughs> เราแผ่ออกไปในลักษณะเจาะจงถึงกลุ่มใดถึงผู้ใดเนี่ยมันก็จะได้รับความรู้สึกตอบกลับ แต่ถึงแม้ว่าเราจะ <c oughs> แฝ่เมตตาไปแบบไม่เจาะจงไม่เจาะจงเนี่ยลักษณะของเมตตาในตัวของมันเองเนี่ยท่านก็บอกอยู่แล้วว่ามันเป็นสเสน่ห์อยู่ในตัวของมันเองคนที่มีไม่มีความเกลียดใครเลยอยู่ในใจนะฮะมีความรู้สึกรักใครทัก็อยู่เสมอ <c oughs> คือมีลักษณะที่รักเพื่อนมนุษย์รักสังคมรักคนแม้ไม่ได้คิดว่า กำลังรักใครอยู่ไม่ได้พุ่งจิตไปที่ใครคนใดคนหนึ่งก็มีสเสน่ห์อยู่แล้วมีสเสน่ห์ในข้อที่ว่าอย่างธรรมดาก็คือว่าใครเขาเข้ามาอยู่ใกล้แล้วก็รับรองได้ว่าไม่เป็นอันตรายได้รับความอบอุน่นมีความสุขดีคนที่แผ่เมตตาจึงเป็นที่รักของมนุษย์แล้วก็โดยเฉพาะย่างยิ่งถ้าคนนั้นแผ่เมตตาจนถึงได้สมาธิขั้นถักที่เรียกว่าเมตตาเจตโดยมุดนั้น จะเป็นที่รักของมนุษย์อย่างแน่นอนเป็นที่รักอย่างแน่นอนไปอยู่ที่ไหนก็ก็มีคนดูแลเอาใใส่อย่างแน่นอนเลยเ อ, อเรื่องนี้เราก็ก็เห็นจริงเห็นจังกันมนานนะแล้วก็ไหนฮะอะ อ, ะอะมีฮะมีแต่ตรงนี้เราคงยังไม่ได้พูดกันนะเขามีรายละเอยียดบอก <c oughs> ออผมยกตัวยอย่างอย่างพระพระเทยรี่เนรไม่ใช่เ น, เ น, เ น, เนที่ว่าไปอยู่องค์เดียวในถรำรห่างไกลผู้คนท่า <c oughs> นจะ่ชวนเขาไปว่อได้มีโอกาสไปบอกไปแล้วท่านเลี้ยงได้ตลอดไปอยู่องค์เดียวที่กระบรีนะ่เข้าไปลึกไมมีใครพระพราไปอยู่ไม่ได้แต่เนไปอยู่ อกถามว่าอดอยากมองไม่อดนอกจากไม่อดแล้วยังบินระบาดยังเล่นตัวดิ <c oughs> ท่านไปบินระบาด4โมงเช้าหันมือเดียว <c oughs> แล้วก็เวลาไปเนี่ยบางทีก็เขาเตรียมสายบาดแล้วสมมติว่า20จ้าตลอดระยะเวล า, าเดินทาง่ยท่านไป3จ้ากลับแต่พราะว่าถ้า ถ้ายมไปอยู่ด้วยจะไปแฉไม่อีกเจ็ดเจ้าก็กลัวไม่อิ่มแล้วบอกว่าไม่มีวันอดเอาไงก็ได้เพราะว่าไปอยู่ที่นั่นท่านแฉเมตตาตามหลักปฏิบททัติปฏิบัติอย่างจริงจังแล้วก็การแฉเมตตาอะไรพวกนี้เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่อดตายมีแต่คนอยากจะมาทําบุญแล้วก็บอกว่าเมื่อก่อนมีคนอื่นมาเนี่ย คนไม่ไม่ไม่แต่ไม่ดูแลไม่เอาใจไปก็อยู่ฝืนเคืองก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างตั้งก็ได้อย่างโขอย่างกรนี้อย่างปละเนี่ยถ้ามีเมตตาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอารักใครนับถือนะนี่เป็นธรรมดาหรือแม้แต่ใครก็ตามนะครับ ท, ที่เป็นมนุษย์ผู้หญิงผู้ชายที่มีลักษณะทั้งเมตตาก็จะมีเสน่ห์ในความรู้สึกของมนุษย์ที่มาเกี่ยวข้อง ก็ลองดูอย่างอย่างไม่ทีไม่ทีอินเดียแม่ทีททททเทลลตานะอ่ก็ดูประวัติแล้วก็ก็รู้เลยว่าแปลกดีนะประสบความคือเราก็ต้องถือประสบความสาเร็จในชีวิตอย่างหนึ่งด้วยพลังของเมตตาอย่างเดียวผู้นําอของประเทศมาามากยังยังครบคคาด้วยเปร่ง่ายนะเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็โคคาด้วย แะก็เป็นที่รักที่ที่จบของคนที่แม่ไ ม, ม่ได้นับถือรัฐที่าศาสนาเดียวกันไม่ทีนีก็เป็นเรื่องของเมตตาที่แสดงออกทางกยายกรรมนี่ถ้าเป็นเทวดาเทวดาย่อมรักษาจะเห็นว่าท่านใช้คําต่างจากข้อห้าข้อห้านะย่อมเป็นอิรักของมนุษย์แล้วก็4สี่ครับ เป็นที่รักของมนุษย์ข้อห้าเป็นที่รักของอมนุษย์คําว่าอามนุษย์ในที่นี้ท่านหมายถึงผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ทั้งหมดเดรัจฉานด้วยสัตว์ ร, ร้ายต่างๆด้วยเรายกตัวอย่างผู้จะไม่เยอะนะเรื่องพระหรือผู้ที่มีเมตตาแลแ้วแผ่เมตตาให้สัตว์สัตว์มันไม่ทําร้ายมันรักให้ อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาในประวัติของพุทเจ้าในประวั ต, วติของพระเทรานุเทระในสมัยพุทธกาลก็อธิบายในลักษณะของเมตตานี้ด้วยข้าวหน้านะผมจะเอาเรื่องคำทธบบลิกมาเล่าแล้วก็เอามาให้ดูว่าท่านแผงท่านยังไงเวลาแผ่ไปถึงพวกงูอ่ะงูสีอะไรสีกาเนดสีสีสกูลแผ่ไปแบบพูดเลยแบบที่เราฝึกกันเน่ย พูดมาแผลไปถึงงูงล้นว่างูเอ่ยล้ลองไปใช้นลฮะแต่ว่าตอาลองนี่ก็ต้องอัพดูทั้งนี้ที่ไรดีก่อนแต่พูดมันเหมือนพูดเหมือนเราไปเจองูพลาด ท, ทางอยู่แล้วก็ไปอย่างที่เคยใจมาไปนั่ ง, อ ย, งยองๆกางๆวันนี้อ้าปากบอกพูดก็มันจะได้เองว่าขวางทางนะทําไมวะ ใครจะไปพูดทำมากไว้เดี๋ยวไม่ทันเวล า, ลยยานี้อยู่ที่ไหนลูล่อยู่ไหนตบอกบ้านอยู่ไหนล่ะว่าสับเ ต, ตส ต, ตาอะไรี้ก็พูดแล้วก็พูดแกมปั้นไเสร็จแล้วมก็เหมือนเหมือนฟังรูเรื่อกแล้ะกหันแล้วก็เลื่อยไปเราไม่ต้องไปทำภาพตกใจ มันกะเสือกกระอะไรเนี่ยลองลองหัดหัดพูดกัะมา น, นี้นะก็จะไม่ถูกทามันทลายหรือถ้าเป็นพวกอยักงพวกเปรตก็เห็นเราพูดกันมานานเล่ากันมานานบางคนหลายคนก็อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์จริงกับตัวเองเวลาไปอยู่ในปา่าจ้าเวลาไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยพระท่านก็จะสอนมานานแล้วว่าให้เราแผ่เมตตามันก็แปลก ด, ดี ว่าพอแผ่เมตตาเพราะมันได้ยินคําว่าสัพเพสัตต า, าเวลาพยาป จ, จาร์เนี่ยมันฟังรู้เรื่องมันรเรื่องเราก็ไม่รู้น่ะเอ๊แต่พอมันไปอะขนาดบางทีเราคนฝั น, นฝันว่ามันผีมาเข้าผีมาหลอกแต่เมตตาในฝันอย่างสําเร็จเลยถึะงจะเป็นสาเร็จแต่ในฝันนี่ก็ถือเป็นความสาเร็จกันน่ะ ดนั้นเวลาที่เราไปอยู่ในปา่าช้าอยู่ในที่เปลี่ยวอยู่ในที่นี้ก็มีผีชุกชุมเลยนะแฉ่เมตตาผูกมิตรได้หมดมันมีตาบะประหลาเกิดขึ้นซึ่งมันไม่ใช่แค่ว่ามาให้มันทําอะไรแล้วไม่ได้แต่ว่าทําให้มันมาเป็นมิตรเป็นพวกเราด้วยอย่างอย่างที่อาจารย์เทียนเล่าไอ้ปนจะเล่าให้ฟังแล้วอาจารย์เคียนจยิง ไปที่ทํากรรมละเข้ามาถามบอกว่าถามบอกว่าผีมีจริงหรือเปล่าครับไอเราโมงเราทำไมมาถามส่วนป่านี้แล้วมาถามเลยที่ไปที่อาจารย์ประสารมาไปถามคนนู่นเน่ะมีประสบการณ์ดิเขาบอกไม่ถามเขาจะถามบอกว่ามันก็มีอ่ะบอกอย่างนั้นเลยงั้นผมจะเล่าเรื่องผีให้ฟังเขาจะมองอย่างว่าเราเชื่อหรือเปล่าก็คุก็น่าจะรู้ว่าเราก็พอเชื่อนะ เขาไปไปดูแลเรื่องบ่อนนะ้ำเข้าใจว่านหน้าที่เขาคงจะทำทางนี้มันก็เป็นบุญนะนะคนที่มีเจตนาดีก็เป็นบุญในเวลาไปไปที่ต่างจังหวัดอย่างเที่ยวคือท้ายเนี่ยไปที่สกลนครไปปักปักเต้นนะเต้นเหมือนเหมือนกลอเตอนะไปอยู่แบบตกกลางคืนแบบผีมาเข้าแถวยาวเหยียดเลยนะ คิดมองเหมือนกำนองก็เหมือนสุวนลูกหูลูกตาไอ้บางตัวก็แขนถูกมันบางตัวก็ขามีโซ่ลามเหมือนนักโทษบางตัวก็เป็นผีแก่บงตัวก็เป็นผีเด็กนี่เขาบอกว่าเขาชื่นชมมันอย่างมันรู้จักเข้าคิวนี่คนดีกว่าคนเหมิงเข้าคิวทีนี้พอเขามาหาอาจารย์เรื่องอะไรพว่าเขามันมาขอน้ําำดื่มแปลว่านี่มันเหมือนเรื่องในตํานานเลยว่าน้ํา น้ำก็มีอยู่มาบ่อน้ำท่านจะไปพัฒนานะฮะเป็นโครงการหลวงเรื่องอะไรก็อยาผมไม่ทราบรายละเอียดชเจนนะแต่ท่านทำมาเยอะแล้ว้็เรื่อมีบุญทางนี้ผีมันคงรู้ว่าคนมีบุญทางน้ำไปขอน้ำคนนี้แล้วไ ด, ได้ได้กินแกตอนนั้นแกบอกแกนะั้งตัวไม่ติดตัวแต่ทำใจดีสู้ผีบอกมาขอน้ำก็เลยเอาไอ้ไอ้ขวดน้ำที่เอาไว้กินเอามาบอกข้ามา ใจสั่นแกนะจะทำให้เสียงแข็งบอกอามาแล้วแค่กเทเทลงไปที่ดินมันก็ก้มลงไปดินแล้วก็มันทาความคารวะแล้วก็ถอยหลังกลับเหมือนเข้าเฝ้าเจ้าหน้าทแล้วก็ไปไอ้ผีกเมืองก็มาแล้วก็ทำาผมขาไม่ได้มากี่ตัวนะเดี๋ยวเจอจะน่าจะํามใหม่ <c oughs> ว่า ม, ม, มันกี่ตัวกี่ตนกัน แล้วรู้ว่ามันหน้ารักหน้าสงสารมากมันเสื่องเฟื่องเนี่ยนะมันไม่ได้สัมแปลงความน่ากลัวตรตงไหนเลยก็บอกว่าขนั้นมันมาขอน้ำกินไดมันตามน้ากัวได้ไง ม, มันก็ต้องมาแบบเรียบร้อยหน้าสงสารดิทีนี้ผมก็บอกกับแหมเนี่ยอาจารย์ถ้าคุยกันก่อนเนี่ยผีคงมีความสุขมากกว่านี้เพราะว่าไอการไปเกลให้มันกินเนี่ยมันเหมือนการเต้นนะมันแล้วเต้นผกีก็กินแก้กิน แต่ถ้าว่าเราเรียกมันมาให้มันมานั่งล้อมเลยนะล้อมเต็มเลยแล้วก็อุดทิศเป็นรูปส่วนกุศลแล้วก็เอาน้ําเนี่ยมาตั้งไว้เป็นเชื้อแบบเส้นแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้มันมันจะมีน้ํากินไม่อดตลอดไปเลยอ่าเพราะว่าให้ในรูปของพลังบุตรแต่นี้มันมันมาได้ในรูปของพลังในรูปของการเส้นมันก็ได้ไปเฉพาะอิ่มเดี๋ยวก็หิวอีก ก็เลยบอกว่าเออถ้าไปาใหม่ค่ว่ากัใหม่อ่อกากรณีอย่างเนี้ยอาจารย์เทียนก็เป็นนักปฏิบัติธรรมนะฮะนักปฏิบัติธรรมแล้วก็พอตั้งตัวได้ถ้าไม่ใช่อาจารย์เทียนสงสัยมันวิ่งแนะ่ <c oughs> หรือไม่กันผีมันก็คงไม่มาขอมันมาหลอกก็เข้าใจว่ามันคงจะเป็นผีอะไรที่มันเกิดวก่นวันไปอยู่แถวนั้นน่ะนะนะบริเวณใกล้ใกล้ป่า ก็ได้กลุ่มก็ไปพวกสีพวกเปรเนี่ยก็ถือเป็นอาหมนุษย์พวกหนึ่งสัตว์ในไร่ฉันด้วยพวกนี้กลัวเมตตาให้ตั้งเมตตาให้ติดตั้งเมตตาให้อยู่นะสู้ได้และไม่เป็นนอะไร เ, เจ้าคุณนอนละลัตถึงบอกถึงบอกตรงนี้ให้ตั้งจิตเมตตาให้ได้แล้วไม่เป็นอะไรแตนบางแก่พวกนี้นะ ทนี่ท่าน จ, จะให้กระตงกระตาแล้วให้ตั้งเมตตาจิตนี่แหลแล้วไม่เป็นอะไรคนบ้าคนบองมาหาท่านนะก็บอกอนี้ให้ตั้งเมตตาจิตแล้วไม่เป็นอะไรทําให้เจ้ากรรมในเวรหรือศัตรูเนี่ยกลายเป็นมิจฉาดุร้ายกลายเป็นสัตว์เชื่องเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคงจับเล็ตได้ว่าไอ้ความดุร้ายกับเมตตาเนี่ยมันของแพรกันคนดุร้ายเนี่ยมักจะแพ้คนมีจิตเมตตา คนนักเลงก็มาแค่ยร์แฟนคนมีจิตไม่ต่างสังเกตมาเยอะแล้วที่ท่านกล่าวว่าเทวดาย่อมรักษาในข้อ6กอ่ะท่านไม่ใช้คำว่ารักเฉยๆนะใช้คำว่าเทวดารักษาคำว่ารักษาเนี่ยหมายถึงการให้การคุ้มครองป้องกันเวลาเราสวดบทหนึ่งอ่าพวัตรกับพระมังคลัง จำได้นั้งนึงอยู่ติหนึ่งว่ารักขันตุสัปพพเทวตาตรงนี้เนี่ยแปลว่าผู้สวดเนี่ยให้พรให้พ ร, รขอให้เทวดารักษาทานเทวดาเป็นคนที่สามนะขอให้เทวดารักษาทานไม่ใช่รักขันตุสัปเทวตาขอให้เทวดารักษาจัดแต่เราจะไปไปอธิษฐานอย่างนี้ก็ได้ว่าขอให้เทวดารักษาจัดขอให้เทวดารักษารักขันตุสัปเทวตา แลวเวลาเราไปอยู่ในที่ที่น่ากลัวเนี่ยนะเราก็ท่องบทเนี่ยรักขันตัวสัพพะเทวตาขอเทวต า, ออวตารักษาด้วยเทวตาราับแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นเมตตาเป็นการกล่าวขอกล่าวอ้อนวอนกล่าวขอหรือกล่าวเชื่อเชินะะเชื่อเชิให้มารักษาแต่ถ้าทำในรูปของเมตตาเนี่ยแล้วกล่าวอย่างนั้นด้วยก็ยิ่งดี คือแผ่เมตตาให้กับเทวดาที่เราเคยพูดกันมาแล้วเนี่ยนานมาแล้วว่าเป็นการทำพรีคือให้กำลังแก่เทวดาเวลาเราจะช่วยช่วยคนอย่างลายที่ผมผมลาลบให้ฟังและาลังได้เหลือก็อยู่ก็เราก็ดูเนี่ยว่า แม่เขาเนี่ยเป็นคนใจบุญมากเขาไปดูลูกบุญมานนะเป็นคนใจบุญเราไม่จัดตัวแล้วก็ขึ้นไปบนบ้านในอะ้องปลาแสดง ว, ว่าพบกับปักเยอะใจบุญแต่ลูกกาลังมีเวรมีกรรมแม่ตายันแหละที่ตายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่นก็ก็ให้มานั่งมานั่งนั่งสมาธแแนนนะมิแล้วก็แผลพลังอะไรเงี้ยสองเนี้ยหมแล้วก็จุดหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นพลังนี่ใจได้ ก็คือเอเราช่วยกันคือบอกให้เขาแล้วเราด้วยให้แผ่บุญแผ่เมตตาไปให้หาหาแม่่็แ ม, แม่อยู่ที่ไหนคือมีบุญมากก็ไปไกลลูกอ่ะหายเงียบตายแล้วหาเงียบเลย ถ, ถ้าพ่อแม่คนไหนตายแล้วหาเงียบบอกว่าบุญดีจะไปไกลเลยแต่ดีจกนกระทั่งไปมีลูกใหม่จะลืมลูกเก่าและลูกเก่าก็อาจจะไม่ได้ทําสายทำผัด น, นี่เราก็ให้ใหใหแผ่เมตตาว่าแม่ อะไรนะคนไรลนะว่าเวลานี้ลูกมีความทุกข์มีความทุกข์คือใจเขาเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็ไม่มันตูมาตูแบบเกี่ยวรูหนังก็ไม่สนุกฟังเทพก็ไม่สนุกไม่รู้อยู่ที่ไหนก็ไม่สนุกซะทีทาบุญก็ทื่อพัง <c oughs> ทําทำเยอะยนะเพราะใจทื่อมไม่รู้สึก อ, อะไรเลยเราก็รู้ดีว่าไอ้ทักใจเขาบานไม่ได้นะอย่างอื่น แก่ไม่ได้อย่างอื่นตรงตามใจั้งหมดก็ให้เขาเปิดหัวใจเนี่ยเราก็ใช้พลังหลายๆอย่างเนีย่ยที่เราฝึกันนะให้แม่เนี่ยเข้ามาช่วยให้พลังให้จิตใจเนี่ยเกิดความรู้สึกจะชุ่มกระชวยขึนไอ้ตอนนี้นะบอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปพูดถึงในการแก้ปัญหาอะไรต่างๆนัเอาหัวใจคุณให้เตือนมาสักถามเสร็จแล้วก็ถามเสร็จแล้วก็ถามคราบหมอวเป็นยังไง ใจเกาชื้นชุ่มขึ้นมาบ้างแล้วเขาก็ไปยั้งหน้ายใจก็ชุ่มชื้นขึ้นมาบ้างแล้วเข้าชัดเจนไปเสือไปสัมผัสสัมผัสรสชาติแห่งความหวังแห่งความรู้สึกที่ดีขึ้นมามากแล้วเนี่ยตรงนี้เข า, เาก็บอกเ อ, อ่ยยงความดีให้กับแม่คือเรามีพลังอยู่กับกระตัวเนี่ยกระสกุฎเราเนี่ยเราไม่ได้ไม่ได้เรียกมันใช้เราไม่ได้สร้างสายสัมผัส เราไม่ได้บอกกล่าวนั่นก็เมื่อบอกกล่าวเนี่ยท่านก็ก็มาช่วยแล้วก็ขอให้เราได้พบผลทางพบครูบาอาจารย์พบบันทิตทีเ่เราเคยเทื่ยงครูมาเพื่อจะมาช่วยกันได้ให้อธิษฐานีเขาก็บอกว่าก็สงสัยเขาเขาฝันดึงคนคนห น, น, น, นึ่งแต่คนนี้ไม่รู้ใครทำรอะไรฝันคนนี้ช่วยก็ได้ เขาย่อผมอะถ้าหลอผมไม่หลอเอาผมไม่ใช้ไป่ไมบอกว่าฟันถึงก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเราก็เลยต้องหลงคำย่อเข้าไปของกลางก่อ น, นพลังพวกนี้นะถ้าเราเราแผ่ไอ้เมตตาแผ่ความรักไปเนี่ยคนพอมันเกิดความรู้สึกคือถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยผมก็บอกแล้วมันช่วยในพลังนี่อี่จงกัด บางเรื่องเนี่ยเราอาจจะช่วยเรื่องวัตถุรถ่รรางกายเงินเรื่องอะไรกันได้แต่ว่าในบางรายเนี่ยอย่างอย่างการณีอเนี้ยเอาเงินไปช่วยเขาไม่ได้เลยมีแต่เขานี่ยจะให้เงินคนอื่นเงินช่วยก็ไม่ได้จริงจริงอะไรก็ช่วยเขาไม่ได้มันซื้อไม่ได้จริงๆริงเขากระจายเรื่องเงไม่ได้ทีนี้ให้มันลษเ์เนี่ยมันก็พยา ย, ยามได้แต่ร่างกายแต่ถ้าเป็นเทวดาเนี่ยเขามีความสามารถทางจิต มีพลังบุญอะไรอะไรทุกถ้าเราใช้เป็นนะเขาก็จะไม่มีส่วนถึงเราได้และเทวดาที่ดีที่สุดเนี่ยให้คนห้นออกจากเทวดาในสกุลเพราะเทวดาสกุลเนี่ยเขามีแก่ใจช่วยนะขอให้เขาเขาช่วยได้เลยขอให้เราบอกกล่าวเล่าค่ะสร้างสะพานที่จะไปถึงครับเราจะช่วยเขาได mm hmm. าเทวดาสกุลเทวดาเจ้าที่อะไรอะไร เราใช้เทวดาแทนาะนั้นบอกว่าคบกับเทวดาเนี่ยต้องต้องใช้เทวดาให้เป็นยื่เราพูดกันเองอย่าให้เทวดาได้ยินะและ้วเรเลยหลอกใจเทวดาเข้าบ้านจะให้เข็ดไปเลยอยากมาอยู่ที่เราเนี่ยเราถือจะโหนเทวดาไม่ได้ถือกัอโนโหนแล้วเราก็ให้กําลังคือให้บุญก็เนี่ยมันไม่ได้ให้ ให้เงินเดือนนะฮะให้บุญเขาเนี่ดีที่สุดยิ่งทํานานเนะี่ยโอ้เขายิ่งได้พลังมากความรักเราก็มากอนุภาพเนี่ก็จะช่วยเราบ้มากขึ้นหรือช่วยคนที่เราต้องการให้ช่วยคืออย่างที่พระ ท, ท่านบอกว่าเทวดาจงรักษากันถ้าเป็นพระเก่งๆเลยนะท่านไม่ได้สวดต่อปากแต่เทวดาเป็นลูกศิษย์ท่นใหญ่นะบอกว่าคนนี้อาใครจะช่วยคนนี้ให้ใครจะช่วยคนนี้ เดียเด่ยวดาวคนห น, นึ่งก็ย่อมมือบางท่าคนนี้เคยเชื่อกูเอาไว้ผมช่วยเองครับหลวงพ่ออะไรนะเดี่ยวดาก็ก็ไปช่วยไปอะไรกินแจกเดียวดาวได้ฟ <c oughs> ัง <c oughs> เหมือนเหมือน <c oughs> ที่ที่เขาเรลยแจกรับยมันเนี่ยเทียบไปฟังนะทีนี้ไอไอถ้าเป็นพวกพอมดบวีแจกสีไอเนี่เรื่องจริงจริง น, นะไอที่ทําอะไรต่ออะไรเนี่ย แลผีมันไม่ต้องแจกไม่อยากไปแล้วคนไหนมันพึ่งได้มันเปลี่ยนเบียนได้มันก็จะเกาะแต่ถ้าเทวดานี่เขาไม่ได้ไปแชมเปญมาไปเกาะเขาจะไปอยู่กับใครเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าคนนั้นเขาควรจะเกื่อกูลไหมเว้นแต่พวกเทวดาขั้นต่ำที่ต้องมาสายมนุษย์บางคนทีก็อาจจะมาในลักษณะค่อนข้างจะกูรีกุจอหน่อยทพระพุทธเจ้าเนี่ย มันทันเกินอย่างเนี้ยอนไหก่อนนะที่เทวดาพระเทวดาเทวดามาจะมาขออยู่ต้นไม้สันกำหม่องนะต้นไม้ต้นนี้ว่างเทวดาองค์นั้นตายบดีเทวดาองค์นี้ไปเกิดภูมิสูงขึ้นบุดีจะไปอยู่แล้วอะไรนี่นก็่าก ง, งกันอ่าให้เทวดาเกิดมาเข้ามาดูแลทีนี่ไอเราเรามันมองเห็นเทวดาไม่ได้ไอมะเกิเห็นได้ นะมันไม่เห็นหรอกมันรู้ด้วยวิธีอย่างอืง่นด้วยทีอืน่นนะก็หมายถึงว่าอไม่ได้เห็นได้ตาเหมือนอย่างที่เขาคนเก่งๆก็เห็นก็หลักตาแล้วก็เห็นนี้นะ่ะแต่เรามันมันให้เห็นต้างก็มันก็เป็นเรื่องไม่ไม่เป็นหลักเป็นฐานอะไรชัดเจนคือคนที่เห็ น, นจริงๆนก็จะต้องหลับฟุบแล้วได้เห็นแต่บางคนเนี่ยเขากำหนดจิตกำหนดกำหนดจิตแล้วก็มี ความสะพรั่งกลับออกมาในทางความรู้สึกนะอะไรนะเทวดาแล้วมีสารพัดแบบแล้วแต่ชาติรูปร่างอย่างคุณก็มีหมายว่าเทวดาที่เขาไปจากมนุษย์แล้วก็อยู่ในในสภาพธรรมดาใกล้เคียงมนุษย์เนี่ยก็ยังผูกพันกับมนุษย์เทวดายังผูกในใต้ไดินนอกมีนะ เทวดาแบบนุ่งเป็นเกงขากุ้งหรือแบบจะไล่จานก็ ม, มีเทวดาปกภุมิมาตรเทวดากันต่ำถ้าเป็นพวกชั้นสูงเขาก็ก็เหมือนคนชั้นสูงรูปร่างก็คล้ายค้มนุษย์แต่ว่าละเอียดระดี ก, กว่ามนุษย์มีพูดถึงเทวดาปกติทั่วไปถ้าเป็นพวกเทวดาอามีลักษณะ <c oughs> ให้รอยบาปบางอย่างก็จะ มีความแตกต่างอะไรรูปร่างหน้ากลัวตาตาล้มตาโพนเลยบางนีมันเป็นพวกที่มีเทวดาที่มีรอยบากทีนี้มาดูที่เจ็ดอันนี้สงที่เจ็ดว่าไฟยาพิษหรือศาตราย่อมไม่กล้ำลายได้ คือเรื่อง <c oughs> อำนาจสมาธิจิตว่าจริงๆแล้วแม้เป็นการฝึกสมาธิด้วยวิธีอย่างอื่นเนี่ยก็จะมีอำนาจในลักษณะของการคุ้มครองป้องกันคือเป็นเรื่องหลักของจิตธรรมดาเนี่ยนะะทําให้เร า, อาเอามีดมาแทงไม่เข้าผมก็เคยลองใอ้บาวิชากันเปิไหน่อยเอามีดมาปันเอามีดมาแทงไม่เข้าจริงผู้หญิงก็ก็กหลอกผู้หญิงก็ได้ มาฟันมาแทงอะไรเีนะแต่ต้องไปเย็นวิชาเขาแล้วก็มีกระบวนการอะไรนิดหน่อยแต่มันก็เท่านั้นน่ะเียนแล้วก็เท่านั้นแต่ไม่เข้าจริงๆรวมทั้ง อ, อยีสมมติว่าเอาน้ำมันมาต้มไปแล้วร้อนแล้วมือควานลงไปเงี้ยเอ๊ะไม่ร้อนจริงๆควานลงไปควานไม่ใช่ควานแบบนี้นะควานอะไรก็ไม่ไม่ร้อนแปลกดีนะก็เป็นเรื่องอำนาจ ที่ทําให้เกิดความอยู่ยงของปานจารีในลักษณะอย่างนั้นได้ชทั้งยกแากทีนี้ถ้าเป็นคนที่แฝ่เมตตาเนี่ยผลอย่างหนึ่งก็คือตัดไฟแต่ต้นลมตัดไฟแต่ต้นลมก็คือไฟยาพิษอะไรตอะไรไม่มีใครเข้ามาทําอันตรายเรานี่เรียกว่าตัดไฟแต่ต้นลมแต่ถ้าหากว่าไฟประสบครอสประสบเหตุ ขึ้นเฉพาะหน้าอำนาจของเมตตาทิศที่แผ่ไปนั้นทำให้เกิดการดับทิดร้อนได้ทับทิศ ด, ดับไอคมออกคมดาบได้เพราะว่ามันเป็นลักษณะของความตรงกันข้ามกันของความรู้สึกนึกคิดเพราะว่าไอเมตตาเนี่ยมันเหมือนเป็นภาวะที่เป็นของเย็นนะฮะโดยปกติ ถ้าสัตรูของเมตตาก็คือกีเลดร้อนอาจจะกลัวเมตตาอย่างเช่นโทษาเนี่ยตัวเมตตาซึ่งของแพรกันที่นี้ไอ้พวกอาวุธเนี่ยก็เหมือนเป็นของร้อนไฟกระดียาพิกรดีคนที่แพ่เมตตาสามารถที่จะตักกัดขึ้นหรือล้างผิดตา้แต่นี่ต้องเป็นขั้นชา น, นะแน่นอนนะขั้ชานแน่นอนถ้าเป็นขั้นธรรมดาเนี่ยผมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์ ส่วนตัวตรงนีนะ้คือที่ใช้อยู่ก็โดยมากก็ตัดไฟแต่ต้นลมก็เลยยังไม่เคยเจอไฟเลยไม่รู้ว่าเจอแ้้วจะไหม้ เ, เปล่านะก็อย่างที่ให้ใช้อยู่เนี่ยเวลาเราเดินทางขึ้นรถลงเรือ <c oughs> หรือว่าใครเขาทะเลาะบอกแววงยกพวกดีกันนี่ อย่าพวกโร้เรียนช่างกลเราอยู่ตรงนั้นเราก็ไม่ต้องไปเตะ ท, ท่านท่าตื่นตกใจจะทําใจดีสู้เสือก็ไหวสั้งจิตให้เป็นเมตตาก็รอดมาแล้วสามครั้งแต่ไม่ไม่รับรองว่ามันรอดเมตตาหรือเปล่แต่รอดสามครั้งไอ้ครั้งคือ้ายนี่แถวไปแถวไอ้โรงเรียนช่างกลแห่งหนึ่งนั่งเราก็นั่งอยู่บนรถรถตับอากาศ มันก็ขึ้นโกงมันจะฆ่ากันนะเราก็นั่งเฉยก็เดินตกใจก็ตกไปเราเฉยเพราะถ้าคืนเราตกใจเดี๋ยวมันไ ล, ล่ฆาเราด้วยแล้วก็เราก็ทำเป็นเฉยแฝงเนี่ยสารก็ไม่มีอะไรนะก็ะเรียบร้อยอีกครั้งหนึงก็ยังอยู่แถ ว, วอย่ามสแคแวร์เราก็เดินแล้วก็ทําเป็นเฉยมองหน้ามันเป็นทาเป็นเฉยเราก็รู้สึกเออมันเข้าตาดีเหมือนกันนะเราแฝงไม่ตาแล้วก็มองมันเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็ไม่เป็นพฤติกรรมที่อยู่อยู่ แต่เราไปทำลนลานตัวมันเลยเอาเลยเพราะว่าไอพฤติกรรมขอตัวเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมยั่วยอยู่เราก็แฝงเมตตา้างก็ไม่ใส่็นอะไรคนบ้าคนเมาก็กลองใช้ใช้มาหลายครั้งแล้วก็รอดลอดมาทุกครั้งน ะ, ะแต่วันไหนไม่รอดก็จะมาบอก จะรับรองว่า อ, อไอ้เรื่องอย่างนี้ค่อนข้างจะได้ผลเท่าที่รู้สึกรู้สึกเอาเนี่ยนะคือพยายามจะพูดแบบไม่ออกปากรับรองอะไรมากมนะันจะเป็นการอ้าทายเกินไปข้อแปดิดย่อมตั้งมั่นได้โดยรวดเร็ว ทำมาตั้งมันได้โดยรวดเร็วนะหมายถึงการทำสมาธิจิตหรือคนที่อยู่ในภาวะติมตกใจอะไรต่างถ้าจะทำสมาธิเ น, นี่ยก็ต้องทำมีปดให้แผ่เมตตาแล้วตรงนี้นะผมให้บ่อยแล้วรู้สึกว่าได้ผลจริงๆนะโดยเพราะอย่างยิ่ง <Yeah. S 1> เวลาที่เราเกิดนิวริวอณ ในลักษณะของความวิตกกังวลร้าวร้อนเนี่ยความพยาบามทำนะง่ายๆนะครับถ้าเราแผ่เมตตาให้กับคนนั้นหรือคนอื่นที่เกี่ยวข้องโดยที่เกิดเมตตาแบบบริสุทธิ์แบบเปรื่องปลดความวิตถือได้เนี่ยความพร้อมในการกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเกิดขึ้นทันทีเกิดขึ้ น, นอย่างสนิทเลย มีมี่กันอัน น, นนะึเป็นผลในลักษณะเรียว่าเมตตาเปลื้งนิวรณที่เป็นคู่ปรับขึ้นแล้วก็เมตตาที่อเราแผ่ให้ในลักษณะที่เราเปลื้งไอ้สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนผิดที่มองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวอันนี้เราพูดเป็นแบบหลักวิญญานะแต่ว่าเป็นเรื่องลึกๆนะคือคนที่ทําสมาธิไม่ได้บางคนเนี่ย เชื่อไหมว่ามันเกิดจากอะไรบางอย่างเข้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนี่มีลายสุดท้ายลายในในผมรับปากของยาจะาช่วยเขาเขาไปฟังธรรมะที่ปราณีปา น, นเป็นผู้หญิงอายุสักสามสิต้นตอ น, ตอนเขาบอกว่าเวลาที่เข้าไปไหนเนี่ยจะมีคนคนหนึ่งใส่หวกแบบบวกปิดอาหาร้ะไรอะไรแล้วก็ เ, เหลือบได้เห็นแล้วเขาบอกกับเขาว่า เขาเป็นราชการดีฮะนี่นี่ผมไม่ได้พูดโดยมันจริงไม่จริงนะผมเล่าตามเขาพูดไอ้บางรายก็บอกขานะเล ส, สวนอ้าวไม่รู้ใครตะใคร <c oughs> นี่ก็ไปไล่ขานะเล ส, สวนออกไปไล่แล้วนร้สีเจ้าวกำลงังให้ออกไปนี่นี่ไลน์นี้บอกเป็นราชการดีฮะเขาบอกนี้มานั่งฟงังทำเมามาพอาฟงังฟังเดี๋ยวพอวเผยมาราชการดีฮะนั่งฟงังทำด้วยอ่าเราก็ภูมิใจได้ว่าราชการดีฮะ ได้ให้เกียรติอย่างสูงส่งมาฟังธรรมะที่บริษัทตุกติเชื่อไหมเชื่อในการนี้อานไหเชื่อว่าเป็นไหมไม่เชื่อน่ะผมต้องบอกเลยบอกไม่ได้ครับเพราะว่าลักษณะเจอมันไม่รู้กี่สิหลายแล้วประเภทอย่างเงี้ยมาต้มมนุษย์ทีนี้เขาบอกว่า อันหน่งที่ทำให้เขาเสียหายก็คือว่าเขานั่งหลับตาทำสมาธิไม่ได้เวลาหลับตาเนี่ยมันเกิดไอ้จินตนาการอูอยร้อยแปดพันประการบอกเขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆเนีนะ่ย <c oughs> เช่นพอนั่งหลับตาปุ๊มเห็นมังกรบางเห็นแบบทรทักสีอะไรนะ สีนั่นสีนี่เกร็ดสีนั่นสีนี่งอนข่าวสีนั่นสีนี่โอ้เห็นชัดเจนเลยแล้วก็มีพฤติกรรมแหมยังกะคุยกันรู้เรื่องบางครั้งก็หลับไปแล้วเนี่ยเห็นประเทศไทยโดนละเมิดมีการลบทับจับฝึกกันอย่างโวยหน้าตะพึงรวงและยังอย่างอื่นอีกมากมายแม่ผมก็บอกเออถ้าเข้าไป เล่าประสบการณ์ของเขาให้คนไม่รู้อีหลวยในี่ยงในคงนับถือจะเป็นแถวนะก็ตันตาทิพถู้ทิพย์เห็นนู่นเห็นนี่เป็นตูกเป็นตางเนี่ยไม่ดีว่าเขาเป็นคนฟังธรรมะเขาเชื่อธรรมะมากกว่าเชื่อสิ่งที่เขาเห็นเขาจึงรู้สึกได้ว่าเขามีปัญหาอะไรนะอะไรนะก็กำลังเร speaker, a language, a ิ so <c oughs> <is> ่มมาก คือนั่งเท่าไรเท่าไรก็เห็นเท่านั้นแนหะเขาบอกเขาจึงเขาทำกรรมฐานไม่ได้จะไปทำแบบยกน้อบ้องน้อยทำแบบไหนก็หลับตาแล้วก็อาทิตย์มาทันทีเลยกลายเป็นอุปสรรคตั้งกต่ต้นตทีนี้ตรงนี้มันเกิดจากอะไรก็เกิดจากสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละครับที่เข้ามาทำให้จิตใจนั้นวนแปรไป และคนที่เป็นบ้าเป็นหลังเป็นไหลไปได้ในเพศหนึ่งนี่นะที่เกิดขึ้นจากลักษณะอย่างนี้ก็มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าจะทําสมาธิได้เนี่ยต้องขออัญเชิญราชการที่ห้าของเข า, าออกมาออกมาแล้วก็ขอให้สเสด็จไปที่อื่นองค์นี้ในการที่ห้าอนเนี่ยในงานก็ประสบนิกรคนนี้ทำกรรมาฐานไม่ได้ตลอดชีวิตแน่นอน ทีนี่เนี่ยถ้าเราเป็นคนมีเมตตาและใช้พลังเมตตาเป็นอย่างีรว่าแผ่พลังกุ้งกรองตัวอะไรเงี้ยนะแผ่ขับไล่แต่กุ้งกรองตัว<ม>ก็จะทําให้ใจเราเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเแล้วก็เวลาไปทําสมาธิหรือทาอะไรเนี่ยก็จะทําได้โดยอิสระฟังธรรมะหรือจะไป ท, ทําธุรกิจต้องคอยคุดคิ ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดกันเองฟังตั้งหมวกอะ่ะ <c oughs> คือใส่เข้ามาสวมอยู่ในตัว แล้วก็มาหมวกเห็นหมวกเห็นตีนหมวกแล้วก็จะเป็นลายอันดเลโซนแลนวก็นอนนอนนอนอยู่เนะครับเห็นแขนก่อนเนะแขนแขนคนเนี่ยเห็นแขนก่อนเห็นแขนเห็นขาไปไหนก็เห็นคล้ายๆวบๆแวบเนี่ยนะเห็นดีิๆเขาบอกเห็นจริงๆแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่โหไม่สะดวกใจด้วยประการต่างๆ จะไปเข้าท่วมมันเห็นแขนวแว๊บๆแล้วมันโหมดมโรยมันไม่สะดวกไม่ดีแต่ที่สำคัญคือไปจิตใจกระสับกระสายวันวันีถ่ถ้าถ้าเรามีพลังเมตตาในสิ่งเหล่านี้ออกสิ่งที่จะมาช่วยเราได้อย่างที่เราพูดว่าถ้าเราไปเจริญธรรมะแล้วเราแผ่เมตตาหาจาก แต่ใครเป็นครูบาอาจารย์คิดเป็นมนุษย์ไม่ใช่นมนุษย์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่มนุษย์เนะี่ยเราก็ต้องมีอยู่เยอะแน่นอนน ะ, อะขอแผ่เมตตาขอให้ได้มาช่วยเสริมจิตของเรานะให้เราเนี่ยพ้นจากกุศลรรรข้อขัดข้องอะไรต่ า, างๆและแล้วมันก็มีตัวยอย่างเองที่พวกเราคนหนึ่งที่ไปปฏิบัติธรรมอยู่คนเดียวไปบวชแล้วก็เวลาปฏิบัติมันมีข้อติดขัดหลายๆอย่าง แกนี่ไปติดๆๆแล้วเขาบอกมาว่าเขาได้อาจารย์อาจารย์ในตัวเขาบอกเขามองไม่เห็นตัวหรอกแต่ว่าให้ข้อติดขัดเพราไปถึงจุดลวอาจารย์มาบอกบุญเป็นปกุศลที่เราทำก่อนที่ก็ที่ไปไปบวชนะไปบวชที่รังกา ที่คือไร่คนรู้จักนะไปไปบวชแล้วก็อยู่คนเดียวแล้วก็เขาก็เป็นคนทําบุญก่อนไปทําบุญาหน้าวัดเป็นหนะ้าสิบองห้าสิบองให้อาจารย์แสไปที่นู่นที่หลังก็ให้อาจารย์ขอให้ได้จเจริญนะครับคุยอาจารย์มากจริงๆคนระับมาช่วยก็โชคดีไปแมถ้ถ้าได้อย่างนี้ก็ดีนะมี คนบอกคนตดนใจที่รู้สึกให้ได้คำตอบบอกให้ได้ยินกระหูแล้วก็หาความอดคล้องหาข้อมูลให้ใอ้ข้อขช้ข้องต่างๆเนี่ยมันเกิดการคลี่คลายไปในลักษณะประหลาดหลายอย่างะตามที่เขาเล่าให้ฟ น, นี่เป็นอาจารย์ที่ที่ทำให้เราจเจริญในธรรมดา เรื่องอย่างนี้นะเราก็เคยยกตัวยอย่างวันสมัยพุทธกาลก็มีจริงๆนะเช่นทพายิยาก็เป็นต้ น, ตนทภายาิก็ได้เพื่อนเป็นอาจารย์จำได้นะมาจากสุทาวานที่ลงมาช่วยมาบอกมา่กี้แนะ่แต่บางคนก็ดื่มกับอาจารย์อย่เช่นระโกกาลิกะอาจารย์ลงมาจากเทวโลกเทวมาให้เห็นนี่เขียว วราประกอิกาไล่อาจารย์าอาจารย์ไม่เกี่ยวมันอาจารก็เลยบอกไอ้นีเยียวยาไม่ได้ไปเลยก็เลยตายไปไตกนรกจําได้นะประกอลิก า, กาที่เคย่ล่ไ <c> ป <oughs> อันนี้อันนี้เดว่าเท ว, วดาคุ้มครองการปฏิบัติธรรมธรรเป็นเกณหนึ่งที่ทําให้จิตต่างมันได้เดือ ข้อเก้าฝีหน้าย่อมผ่งใสตามจริงคนปฏิบัติคำเน้นสีหน้าอ่องใสอยู่แล้วแต่เมต่านั้นทําให้เกิดภาวะของความอ่องใสเป็นกรณีพิเศษคืออ่องใสทำไมอ่มองใสอย่างธรรมดาอ่องใสอย่างเป็นลักษณะเรือกว่ามีสเสน่ห์ชวนให้รักเมตตาเนี่ยนะฮะเหมือนบุคลิกของคนที่มีเมตตาเนี่ยจะมีสเสน่ห์ในลักษณะชวนให้รัก แต่ถ้าหากว่าเป็นคนผ่องใสก็เหมือนคนหน้าตาสวยอย่างธรรมดาแต่ไม่มีเสน่ห์ชวในให้หลับก็ลองคิดดูก็แล้วกันเจ้าหญิงคนที่สวยกว่าจเจ้าหญิงแต่าน้าทักสี่ห้าเท่าในหะมีไม่ในโลกนี้มีนะแล้วทําไมถึงหน้ารลับส่วเจ้าหญิงแต่หน้าไม่ได้ที่เราพูดตามปติตามความรู้สึกคนดีกันนะที่เขารู้สึกกันมันเป็นตัวอะไร แต่หญิงนานะดามีเมตตาเยอะม้ยมีเมตตานะนี่เป็นลนะักษณะของคนที่มีเมตตาวันโลเนี่ยมันแปลได้ได้สองอย่างแปลว่าสีก็ได้แล้วแปลว่าสวยก็ได้เหมือนวันนะ มัจรียตความประนีความงามใช้คำว่าวันนัก แ, แปลว่างามตัวเมตตาก็ทำให้เกิดทัศนคติในลักษณะของความงามได้อีกส่วนหนึ่งครับสิบเป็นผู้ไม่หลงทำกาล คำว่ากาลหมายถึงตายก็คือเป็นคนที่ไม่หลงตายเหตุเพราะว่าคนที่มีจิตเมตตาต่อผู้อื่นเราได้พูดถึงเรื่องกาลกิริยาวิธีแล้วก็พุทธวิธีทําใจเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ ที่แต่ว่าคนละแห่กันและได้อธิบายตรงนี้ไว้ว่าคนที่มีเมตตาเองเนี่ยภาวะจิตของตัวเองก็ผองใสเองและผู้ที่มีเมตตาแต่เมตตาก่อนตายเนี่ยก็ทำให้มีผู้มาอนุเคราะห์ช่วยเหลือคือพวกเท ว, วดาญาสาตโลกิที่ร่วงรับไปแล้ว หรือเจ้าที่เจ้าทางที่เราไปทำการรกิริยาที่นั้นเมื่อเขาได้สัมผัสเมตตาได้รู้สึกว่าเราเป็นคนดีเป็นคนไม่มีพิษมีไปยระไรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาให้อารมณ์มาดนใจมาให้อารมณ์ทำให้เรานั้นได้อารมณ์ที่เป็นกรรมมนิมิตอารมณ์กรรมอากรรมกรรมอารมณ์กรร ม, มนิ้มีกติมิตเนะี่ยที่ดีจากท่านเหล่านั้นช่วยคือถ้าว่าเราไม่มีเมตตาเนี่ย อลองคิดดูนะถ้ามมติมว่าเราจะจะตายอลูกหลังเข้าหน้าไม่ติดเจอหน้าลูกเจอหน้าหลานรายหนึ่งเนี่ยเขา <c oughs> เขาบอกว่าแม่เขาตอนที่ยังไม่ตายเนี่ยนะอพูดไม่เคยพูดไม่ดีละลูกพูดดีอะลูกแต่พอป่วยจะตายขึ้นมาเนี่ยดุด่าลูกจนลูกในใจเสียคือ้าดไม่ถึงว่าเอทำไมแม่เรา ไม่เคยเป็นอย่างนี้ทาไมมาเป็นอย่างนี้ก็เลยไม่อยากอยู่ให้แม่เสียอารมณ์ทีนี้เราก็ไม่รู้พาไม่อยู่แล้วแม่จะเสียอารมณ์มากขึ้นหรือว่าจอารมณ์ดีขึ้นก็ไม่ไับแต่คนที่ใกล้จะตายแล้วมีลักษณะของความไม่มีเมตตาไม่เข้าใจกลใจขุนหมองเนี่ยเราก็ไม่อยากเข้าใกล้ใช่ไหมเข้านักที่เรียกว่าเข้าน่าไม่กิน ก็ไปกันหมดไม่มีคนดูแลตัวกว็งกวง่นกวายมากยิ่งขึ้นและเจ้ากรรมนายเวนก็เข้ามาเกี่ยวข้องได้ง่ายเจ้ากรรมนายเวนก็คือว่าคนที่เรากล้าที่เราเบียดเบียนเขาไว้เนี่ยเขาก็เข้ามาย่ายีจิตใจของเราให้เกิดภาวะของความไม่ได้อารมณ์ที่อีเหมือนพฤติกรรมของคนที่ ท, ทําเวรทํากรรมฆ่าตัดวตัดชีวิตมาเยอะๆเวลาใกล้จะตายแล้วเห็นเป็นอย่างงนอย่างนี้ เห็นอย่างสมมติ ว, ว่าเห็นไก่เห็นปลาไอคนที่เคย <c oughs> ปล่อยปลาปล่อยสัตว์ไว้เนี่ยเขาบอกเห็นแล้วมันยิมนยมมนย้มให้โคยิ้มไงเป็นยี้มให้ไอคนที่ไปฆ่าไว้บอก <c oughs> เห็นแล้วมันน่ากลัวอย่างพวกไอสัตว์สวยๆน้องามอย่างเช่นนกเขามันขันว่าเปปกติมันกันเปาะแต่กับคนนีแล้วเสียงมันน่ากลัว เสียงคันมันน่ากลัวหน้าตามนก็น่ากลัวทําให้จิตใจของคนคนนั้นเกิดสภาวะของความฝับฝนวุ่นวายวิพิทักษันต์ใจมากยิ่งขึ้นเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเที่มาทำให้คนนั้นต้องอยู่ในภาวะของความล่มหลงคือความขาดสติมากยิ่งขึ้นและเมื่อตายไปด้วยาการอย่างนั้นก็เข้าถึงทุกขติค่อนข้างจะแน่นอน นี่เป็นผลประการที่สิบครับสิบเอ็ดเมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งย่อมเป็นผู้เข้าถึงโคลมโลกคำว่าคุณอันยิ่งนี้หมายถึงเป็นพระอาหารหันต์ถ้าไม่เป็นพระอาหารหันต์ย่อมเข้าถึงโคลมาโลกตรงนี้ขอให้เข้าใจว่าท่านหมายถึงผู้ที่ แผ่เมตตาจนได้ฌานคือเป็นเมตตาเจตุลิมต์หมดแล้วเมื่อได้ฌานแล้วตายเนี่ยก็ต้องเข้าถึงตัวโลกเนี่ยตามหลักการตางพระพุทธศาสนานะแต่ถ้าหากว่าได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ก็ไปไมีผ่านสำหรับผู้ที่แผ่เมตตาอย่างธรรมดาคืออย่างเราเนี่ยข้อนี้ก็เห็นจะกล่าวไม่ได้หมายความว่า ถ้าคุณเรื่องสูงก็ไม่ได้บรรลุฌานก็ไม่ได้สิ own, ส Sandy, season, he is, ่งที่จะพูดได้ก็คือว่าย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีการเปลี่ยนเวลาไปเกิดคนที่ตายได้เมตตาเนี่ยไอ้บุญอย่างนี้มันจะคุ้มครองคุ้มครองทำให้เราเนี่ยไม่เช่นว่าไม่ไปเกิดในกเกม็นเนี่ยกระเม็นเี่เปี่ยนเบี่ยนกันเนี่มันถ้าคนมีเมตตาคุ้มเป็นกรำนำเกิดตอนไปตาย หรือไปไม่เคเข้าท้องพ่อแม่ที่ขทไขจริงไข่กว้าตัวจะแม่ไขจริงไข่กว้างเป็นไหมคือออย่างเดี๋ยวนี้ไอ้เดี๋ยวนี้สงสัยจำเป็นมากเพราะว่าโลกเนี่ยมันชักจะเดือดร้อนวุ่นวายมีภาวะขงความเปลี่ยนเรียงถุงครับจะมีอะไรประหลาดเกิดขึ้นเรื่อยน ะ, อ, ะอยู่ๆก็ไฟไหม้ป่าแล้วก็เดือดร้อนไปถึงอีกประเทศหนึ่งอันนั้น แล้วก็ขึ้นบินตกน้ําท่วมตก่นขลุกลโอ้อะไรก็อะไรไม่รู้เยอะแยะมาวางความเบียดเบียนนี้แล้วก็การเบียดเบียนกันเองในระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็จะมีลักษณะประาดประหลาดมากยิ่งขึ้นนั้นการให้การคุ้มครองตัวเองเพื่อให้เราได้ไปอยู่ในที่ดีเนี่ยอนีอ่พูดถึงว่าตอนจะตายก่อนเนี่ยนะก็ใช้การแผ่เมตตาเป็นตัวกุยทาง เราก็จะไม่หนึ่งคือไม่ไม่ไม่ไปตายทั้งกลมหรือว่าไม่ไปโดนยาคุมไม่ไปโดนอะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเดือดร้อนนะแต่ว่าถ้าพูดถึงในกรณีที่ยังไม่ตายก็กล่าวได้ในหลักะข้อสงเราะลงในข้อสิบเอ็ดนี้คือคนที่มีเมตตานี่อยู่ได้เราถึงพูดกันแบบ ทางพุทธศาสนาว่าไอภาวะทางเศรษฐกิจความเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเราต้องใช้เมตตามากนี่ใช้เพื่อให้เราไม่เดือดร้อนนะแต่คนอื่นก็ร้อยไม่เดือดร้อนไปด้วยคำหนึ่งถึงคนอื่นว่าเราเราจะจัดจ่ายใช้ฝอยคำหนึ่งว่าให้เขาได้อะไรขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยนะบางทีแท็กซี่มาจอดมันนสับน่แดงโร่อยดูแล้วมันหน้า ใครมุดแย่งเงินเป็นแถวเลยตอนนี้ลูกค้ามาไันไม่มอแต่เราก็นึกว่าช่วยส่งกล้องเซฟีนั่งเซฟีสักสิบปีนะเราก็นั่งนั่งและนึกในใจว่า เ, ออเราก็อาจจะมีความจำเป็นแต่เราก็อาจจะไม่นั่งกระด้แต่ก็นึกว่าช่วยส่งกล้องมันหน่อยช่วยสงกล้องมัหน่อยอย่างน้อยก็ให้เป็นบุญเป็ น, นกุศลกับแล้วก็ให้เขาได้มีรายได้รายได้อะไรกันเท่าที่เราจะทําได้เนีไงโดยการซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ตาม ก, ก็ทําอย่างเนี้นะครับ ถ้าเราคิดช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างนี้ผลที่จะได้ก่อนนี่คือตัวเราเองเราจะอยู่สะดวกคือไม่ผูกเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้รับความเดือดร้อนไอ้คนที่ตกงานกระแทนที่มันจะไปปนไปที่ไปยักยอกคนอื่นมันก็หลีกเล่นเสียไปทำอะไรที่นึกว่าไม่เปลี่ยน เขาไม่จ้างเราเราก็ช่วยทำให้เขาคุยเรียดูดิมันจะแข็งใจไม่จ้างมันหลนะช่วยทำนั่นทานี่เดี๋ยวก็เขาก็เห็นบึงกูนีนะ่เออเวลานี้นะ่ะบริษัททางร้านปลดคนงานเัาเป็นแถวที่มีบริษทัทหนะึ่งเออผมฟังแล้วเจ้าเขาก็ทำส่วนต่างกัจ้าบ้านบอกคนอื่นปลดผมไม่ปลดผมรับเพิ่มผมรับเพิ่มแล้วทไมอ่ะ พักงานก็ไม่เพิ่มะตะรับเพิ่มไอ้ตื่นก็มีงานเพิ่มหาทางมาเพิ่มงานเพิ่มอะไรเพราะอะไรเพราะาสงสารคนสงสารคนที่ตกงา น, นก็เลยรับเพิ่มบริษัทนี้อยู่แถวไม้แล ะ, กะเกษตรครับล้ว<ม>เอเ อ, เ, อเป็นความคิดดีแหมบาคนไม่เชื่อก็ว่าโง่จริงดินะตอนนี้มันน่าจะกดขี่โขสทับเขาไอ้ สะใจไปเลยถึงได้ทีแล้วกี่ไปได้ก็เลยนึกว่าถ้าเราจับหลักตรงนี้ได้แล้วไอ้ธรรมะนี่มันไม่ใช่สวนกระแสแะเสมอนะแต่ว่าไอ้สวนกระแสเนี่นก็ทําให้ชีวิตเราเนี่ยทวนกระแสตัวกระแสชีวิตธรรมดาของชาวโลกก็สเสมอถ้าเราทําแล้วเรามองเห็นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วไอ้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าให้เราอยู่เย็น เ ร, เราอยู่เย็นเราไม่ใครเดือดร้อนเราไม่เดือดร้อนเราเข้าถึงแต่ใจคนบางคนนะ่ะว่าเออคนเคิเาเดือดร้อนให้เขาก็เห็นเขาก็ไม่เห็นมีอะไรวันวันจันที่แล้วมางคนเขาไม่เห็นมีอะไ ร, บบบ ร, รไอไร้ที่ว่านี่ก็เรื่องปัญหาทางเศรษฐกิจนะไม่เหมีอะไรคนอื่นเ้ามีอะไรเขาก็ยังเออทําไมคนอื่นก็เขามีอะไรทําไมเราไม่มีอะไร มันบูรุษคุ้มเขาจริงๆนะให้เรามองดูเนี่ยเราก็เอขูรุษที่เขาสะสมก็ทําอย่างตอนเรื่องแล้วก็ปกแผ่ไว้อย่างดีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเข้าไปถึงตัวก็ก็เลยดูดีไปเพราะฉนั้นถ้าคนมีเมตตาอย่างนี้เนี่ยเวลาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยมันมากจะทําให้ไอ้รักสามีของความเย็นเนี่ยมันเกิดขึ้นนี่นั่นะแล้วมันก็ดูดีไปทุกที่ตัวเองก็เลยไม่ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาวาเบียดเบียนธรรมะมันช่วยคุมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเข้าถึงโลกอันไม่เบียดเบียนเดี๋ยวนี้เราก็เลยนึกว่าเออยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีแทนที่จะลดลาวาสอเรื่องการทำบุญ ก็พยายามหาช่องทำให้มันดีขึ้นะใช้คําว่าถุทำให้นดีขึ้นอย่าอย่าท้อแท้ทําให้มันดีขึ้นทําทุกวันเต่ายังไปปล่อยปลาปล่อยอย่าหยุดที่บ้านนะอย่าหยุดปล่อยปล่อยแล้วก็ใส่ปลากระใส่ทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นให้เป็นประโยชน์มากขึ้นนะเราอาจจะประหยัดจะอะไรคือให้ขยายให้ไม่ใช่ว่าด้วยความตื่ดีเหนียวนะแล้วพื้นสุดมันก็มันก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นไร เออจังจังจองม่ตาที่เามรู้ว่าบางคนเข้าใจว่าเราการช่วยทันทันนะช่วยแต่บางคนาคนเนี่ยเอาเอาตั้ไปเรื่อุ่พ่อสุดยอดโอเนเกิมือีของต่าถึงจะเรียกว่าเป็นแม่ตาอ๋อให้ตรงนี้ต้องต้องตั so, uh e ้งคาถามว่าอ uh ่า การทำเมตตาเนี่ยนะฮะควรจะคำนึงถึงอะไรนะฮะคำนึงถึงถึงผลที่ผู้ที่เราทําให้จะได้รับหรือว่าคำนึงถึงว่าเราสักแต่ว่ า, าสัาแดงเมตตาออกไปท่านั้นคตอบเนี่ยก็คือว่าการทาบุญทุกอย่างทําดีทุกอย่างการแผ่เมตตาการสัมแดงเมตตาการทํามเมตตา ถ้ามีความละเอียดครบถ้วนมีความละเอียดละเบียดละไมมีความรัดกุ่มมีความแยกขายครบถ้วนเท่าไหร่ก็จะเป็นประโยชน์เพื่อกูรมากเท่านั้นเพราะนั้นเมตตาในจริงมีคุณภาพไม่เหมือนกันเราจริงได้เห็นว่าบางบางคนมีลักษณะทางเมตตาแต่แต่เป็นคนสมองนิ่มเรื่องนี้บาทีเราก็ต้องพูดกับบางคนตรงๆนะ บางคนคือพูดมาแล้วนะก่มีเมตตาแต่ว่าไม่ฉลาดเลยเห็นเมตตาถ้าจนกระทั่งว่าคนขับรถตัวเองเป็นนายไม่รู้ว่าใครนายไม่รู้ใครลูกน้องนะคือลูกคนขับรถก็ยังขับรถแต่พอรถมาจอดปัดเนี่ยนายต้องรีบบุริวจอไปเปิดประตู ไอ้ลูกน้องนั่งเถอยเย็นนั่งไไเต้ในรถไงแล้วก็บางทีบอกว่าไปนี่หน่อยมันเถียงบพราะวแม่รถติดไม่ไปอ้า <c oughs> อะไรอย่างนี้อะอย่างนี้เนี่ยเอ่อลูกพี่เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกว่าแหม่เขาก็จะไป <c oughs> บุริแรงไปเดี๋ยวเขาก็จะตำหนิได้ว่าอะไรกันใจบุญขุนทาน แล้วทำไมต้องเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้ไอ้อย่างจะริดนี่มันขัดใจลูกน้องเผงก็บอกว่านี่เม่ตายอย่างนี้ไม่แยกขาะแล้วมันไม่ได้เป็นผลเสียกับเราเท่านั้นหรอกนะมันเป็นผลเสียกับผู้ใต้ปกครองเราด้วยถ้าผู้ใต้ปกครองเ ร, เราเราดูแลเ็าอย่างนี้เราสอนก็ไม่ดีปุ๊ถ้าก็ไปอยู่คนบน่ดก็อยู่ไม่ได้ได้จริงกับ ีเขาไม่อยู่กับตัวเ็าอยู่ที่ไหนก็อยู่ไม่ได้และเขามาอยู่ตัวเนี่ยเพราะว่าตัวเมตตาเขาแบบนี้ไอ้คนอืงนนาจะไม่มีเมตตาไม่ถูกใจก็ก็ไล่เปิดเลยนี่เ่ามาอยู่กับคนนี้เขาเมตตาไม่เป็นเมตตาลูกเมตตาตามเสียหมดก็ไม่ถูกอันนี้เรียกว่าไม่ไม่แยบขายทีนี้มันอีกแบบนึีกอ่าถ้าเป็นอย่างนี้นะจะเรียกว่าเป็นเมตตาแบบ เฉยแคนะเฉยแค่บางคนก็เมตตาแบบกร้อนแต่เลีงกันนะเมตตาน่าจะเย็นนะไมร้อนร้อนนี่หมายถึงว่าอ่ากว้างใหญ่ไปหมดลูกหลานพ่อแม่พี่น้องแล้วคอยชี้นิ้วต้องอย่านี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้นี้ทุกคนก็กลุ้มเลยกลุ้มก็เมตตาแบบนี้ไม่อยากให้มาเมตตาเลยเป็นเราเราก็ไม่ชอบ แต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกเขาเขาปรารถนาดีสิ่งที่เข า, เาจะอ้างกับทุกคนนะเขาห่วงใยเขาปรารถนาดีแต่ผมก็บอกว่าที่แพ้แล้วมันเป็นความเห็นแก่ตัวต่างหากละ่ะทาไมถึงว่าเป็นความเห็นแก่ตัวผมก็เกลียดในฟังสี่ผมพูดไปจะถอดว่าเลยนะมันบอกว่าเหมือนคนถึงนะไอ้คนขึงให้ฉันเป็นห่วงนะท่า อางทีอะรอย่เงี้ยตัวกระจายบคนอื่นนะเห็นแก่ตัวตัวจะเสีย<ม>แต่นี่หัวหัวคอขยับนี่ขยับหน่อยไม่ได้เงี้ยอเหมือนห่วงอะนะแค่จะเรียกเข้าห้องน้ำก็ต้องไปยืนรอกันนี่เป็นความเป็นห่วงห่วงอนี้ไม่ได้กลัวจะตกต้มแบบกลั ว, วคนอื่นจะฉุดไป <c oughs> ทีนี้เอ้ก็จะมีของของคนที่คิดว่าเมตตาอย่างนี้ก็คือ จะทำอะไรตามใจตัวให้ทุกคนมาอยู่ในอำนาจในคำเชื่อปะแล้วคำอสอนคำแนะนำเนี่ยมันไม่ใช่แยบขายจริงๆบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ตื้นต้นไม่ถูกต้องแล้วก็ เ, เพียงแต่ว่าไม่ทำตามใจตัวและสิ่งนั้นไม่ถูกต้องด้วยก็เลยกลายเป็นเมตตาปลอม อาจจะมีเมตตาเป็นเชื้ออยู่นะความรักใคร่ความห่วงใหญ่เสร็จแล้วก็ให้ความเอาแต่ใจความเข้าใจผิดเนี่ยเข้ามาครอบงำก็เลยทำให้เกิดพฤติกรรมอันน่าเบื่อหน่ายกับทุกทุกคนที่เขาไปเมตตาห่วงใหญ่ด้วยนี่เป็นเป็นอันหนึ่งทีนี้ <c oughs> การแสดงออก ทางเมตตากายกรรมวิจิกรรมเนี่ยนะเชื่อไม่ว่าในหลักอย่างครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยบางทีการไม่ให้นั่นแหละเป็นการแสดงเมตตาบางทีการดุนั่นแหละเป็นการแสดงเมตตาดุหมายถึงว่าเอย่างพระพุทธเจ้าว่าเวลาท่านสอนบางครั้งก็ขัดใจขัดจคนฟังคนฟังอาจจะชอบหรืออาจจะไม่ชอบเนี่ยมัน เป็นสิ่งที่ไม่ถือเป็นข้อไต่ตัวท่านจะพิจารณาการลังเหตุผลที่จะพึงพูดพึงแสดงกับเขายัางไงนั่นเป็นเป็นความแยกยลเวยแต่ว่าถึงที่สุดเนี่ยเขาต้องชอบถูกไหมตอนไม่ชอบนี่คือไม่ชอบในขั้นเอียดเนี่ยว่าทำไมให้ทําอย่างนี้ไม่อยากทําเลยแต่พอเขาทําไปแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งแล้วกลับมาชอบเหมือนครูที่ตีเราไว้เมื่อไรเด็กๆเราไม่ชอบเลยครูแบบนี้ ตีตะตุ่มเราได้เมือยัางครูคนหนึ่งก็ตีผมอะทำไมเด็กๆออนหนึ่งผมมันกลืนเลยตีที่ไหนไม่ตีตีตะตุ่มโทษฐานเราไปต่อยเด็กนักเรียนหญิงคนหนึ่งเพื่อให้เรามันหลานคนเดียวในตระกูลเลยมั้ย เราก็ไม่รู้ดิทุกคนต่างใจทุกคนต่างใจเราหมดดิเพราะนั้นเราจะทําอะไรก็ไม่มีเราก็ไม่รู้นะความจริงดันดานเราคงไม่เลวขนาด น, นั้นนะ <c oughs> ทีนี้พอไปเข้าโรงเรียนเนี่ยเรานึก่ก็ที่โรงเรียนบ้านเราเราจะเอาอะไรก็ได้ใครมาขัดใจเราเลยนีก่ก็เป็นความผิดอะเลยไปต่อยเขาครูเขาเห็ยนเข้าก็เลียกปี ตั้งกะบะนั้นนิสัยผมเปลี่ยนทันทีเลยที่เดียวอนะ่ะแต่ตอนนั้นไม่ไม่รู้สึกนะะไม่รู้สึกขอบคุณครูนะมารู้สึกที่หลังอนะ่ะตอนนั้นเราเปลีได้เราเปลี่ยนเอ๊ะไม่ถูกแต่ไม่ได้ทราบซป็นคุณครูตอนหลังถึงมาได้เออแม้ถ้าเราไม่โดนครูตีตะตุ่มตอนนั้นเนี่ยคงต้องไปต่อยปากใครก็อีกหลายคนก็ <laughs> าอาจจะติดนิสัยไม่เรียนต่อก็ไอ้ง้นครูครูทําถูกเลย Okay. ครูนะั่นคือครูสว่างทำผลสิริที่อยากจำแกได้ตั้งแต่เรียนบนเหม็งแกตายไป่ละอันนี้ก็ก็เป็นเมตตานะการแสดงออกเนี่ยอาจจะแสดงออกอย่างไงก็ได้อาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจที น, ะนี้บางคนเนี่ยต้งบอกในในสังคมแล้วนี่มีคนประเภทนี้อยู่บนกวนที่เป็นคนดีแล้วก็ ทำอะไรแบบคํานึงจิตใจของคนอื่นแต่เมื่อคุ้นลงไปแล้วเนี่ยเป็นคนที่กลัวคนอื่นเขาจะไม่รักมันมันกลายเป็นเรื่องรูปของความเป็นไงตัวมีเยอะเลยครับผมเกิดจะเอ่ยชื่อได้เลยนะเอ่ยแนละ้วท่านก็ต้องรู้จักด้วยแต่มันก็เอ่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้เขาบอกเนี่ยเราผิดพลาดมาจนบัดนี้เนี่ยนะเพราะว่าตัวคนเขาจะไม่รัก ผมเคยบอกว่าเนี่ยธรรมะของพระเจ้าสอนไว้ในพระไตริดกอันหนึ่งเวลาสอนตาบอกว่าจะทําอะไรเนี่ยไม่ใช่เพราะคํานึงในด้วยวความโลภในความรักของคนอื่นเหมือนคํานึงถึงหน้าตาคํานึงถึงไอ้คนประโยชน์รูปหนึ่งนะตัวคนอื่นจะไม่รักเลยทําให้อย่างคนกัเนี่ยเป็ไงรู้ไหมเวลา <c oughs> แกขับรถจะเลี้ยวจะอะไรเนี่ยไอ้ธรรมะดาความเปลี่นใจตามต้องควรแกเหตุผลไรื่อนี้แต่นี่ไม่อ่ะ บางทีขับรถเมียยังไม่ทันจะยกขาขึออ้นเลยจะรีบออกรถเลยยังดูเมียไม่ได้ข้างหลังก็หลอดคือล่นไปหมดะอะเแรงใจคนอื่นเขาเจอทั้งไม่คํานึงถึงคนในปกครองลูกหนูลูกตาหัวล้างข้างแต่เนี่ยนี่เรื่องคนล่นจริงๆถ้าถ้าไม่เป็นประธานสภาเนี่ยพูดได้เลยว่าอย่า ล, นลน่นนะ คือมันเกี่ยวข้องทุกอย่างอะอย่างละนิดอย่างละหน่อยตัง้งแต่คนนั้นคนนี้มุมนั้นมุมนี้นะทีนี้ไอ้คนอย่างนี้มันเป็นอันตรายจะไง่ว่าถ้าไปอยู่ในกลุ่มคนผิดเนี่ยตัวต้องการความรักจากคนชั่วต้องไปทำความชั่วดยไม่รู้ตัวไปเกรงใจแล้วมันมีอคนที่ต้องเสียหายในชีวิตเพราะตรงนี้จริงๆครับแล้วพอมาอายุมากขึ้นก็แก้ยากอนะ แกอยากเดี๋ยวก็พบเหลือเอาอีหละไปเกรงใจกลัวเขาจะเกลียดกลัวเขคจะคงขอโทษนะอย่างรายหนึ่งเนี่ยมันออกมาในลักษณะที่ว่าตัวเองเป็นผู้หญิงผู้หญิงสาวแล้วก็ไปเกรงใจใครเขาขออะไรกลัวเขาจะเกลียดนะขอยืมเงินให้เงินอะไรก็แล้วแต่นะครับ ทีนี้มาเสียหายตรงที่ว่ามาเตรงใจผู้ตัวเป็นหญิงสาวจะมาแล้วก็ไปเตรงใจผู้ชายั้งมาจับมือเกรงใจไม่ไม่ใช่แกล้งนะที่ที่เลยทําให้ตัวใหญ่ในต้องไปเสียหายในเรื่องพฤติกรรมทางเพศมันเพ อ, อย่างนี้นี่เป็นเรื่องชีวิตของคนที่เดินอยู่ในในสังคมกรุ ง, งเทพแล้วเนี่ มันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนใหม่ <c oughs> ผมเลยบอกว่าต่อไปนี้เวลาออกจากบ้านเจอหน้าคนว่าให้ท่องคาถาเวสารัจจังเวสารัจจังแปลว่ากล้าอหานแปลวกลาแปลวกลา <c oughs> เอาคาถาพระพุทธเจ้าเวสารัจจังเวสารัจจัญย์แปลว่าว่าหลบยึดตัวยังไม่แย่หอมนะคืะอตรงนี้เนี่ยความจริงเราก็บอกว่าเออมันหน้าที่เคาะเหมือนกันว่า มันเกิดจากอะไรวีเเราก็คุยๆกันตอนนั้นก็ออกมาเป็นเหตุผลพอสมควรนะแต่ยังไม่ถึงจุดอันหนึ่งแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่ามันเป็นลักษณะของความโลภอันหนึ่งทวาอย่างในทางธรรมะเนี่ยนะความโลภในลาภความโลภในสักการะความโลภในชื่อเสียงและก็ความอยากให้เขารักอยากนี่ท่านใช้หมายว่าเป็นความโลภถ้ากว่าเป็น เป็นความรับผิดชอบเบธธรรมะนี่หรือว่าดีนะในข้อที่ว่าเราต้องกำเนิงถึงว่าไม่ทําตัวให้คนอื่นเขาเกลียดอย่างไม่ถูกต้องคือรักต้องรักอย่างถูกต้องและรักอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่เลยเขามาบอกให้เราโดดซ่วมแล้วก็จะรักเราเราก็โดดเนี่ยเรื่องอะไรอย่างนั้นมันไม่มีศักดิ์ศรีแล้วก็เลยจะกลายเป็นคนที่ไม่เป็นตัวเองเลยและมักจะตกเป็นเหยื่อของคน เอาเปรียบของคนชั่วนี่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็คนพวกนี้เวลาแผ่เมตตาเนี่ยถึงต้องมีเงื่อนไขบางอย่างกำกับไอ้อุปนิสัยที่เป็นช่องโหวของเมตต า, า, ออ า, า, ารตร ง, งนี้เจ้าน่ะเออถ้าให้พออ่านกันคนที่เขาตื่อสารกันยากมากเรื่องอยาก อ๋อคือคำว่าถึงแม่ตาจริงๆเข้าใจว่าคงจะหมายถึงแม่ตาที่ถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติครบถ้วนใช่ไหมก็ทุกอย่างแหละครับแม้แต่เรื่องความกระตันอยู่ก็มี เวลาเราพูดถึงคนดีความดีบางทีเราเอาแง่เดียวถึงนะคนดีความดีบางทีเราเอาแง่เดียวนะเอาแง่เดียวอ่ะเออนี่คนนี้ใจดีเหมือนอย่างเราเข้าวัดแล้วมีคนมาว่าอะไรเข้าวัดแค่นี้ก็ไม่ใช่อะไรแค่นี้ก็จะเอาคืนไดมันบมายถึคนเข้าวัดต้องใจดีคือต้องใจดีตามมาตามตองใจดีแบบโ ง, ง่ๆแบบ เสียเปรียบมันมันยาวเปรียบอะไก็ได้มันมีมนมวดีราเอีมีหน่อยมันมีมากกว่านี้ะที่มากกนี้ระหว่างโผล่เรื่องมาโทษอา ญ, ญาเข้าวัดโผครผ อ, อ, อย่างเนี้ <c oughs> อยาอยาวุธอะรับ มันก็ไม่จได้ไมอ้ไเพราะันนันเรามาว่าสิบตาอไนีปัญหาที่ยิ่งน่ะเอาเรื่องที่อาจารย์อาจารไทำนั้นาตรงนี้บางทีเราก็ต้องรู้จักเถียมนะว่าใช่ก็ถ้าความใจดีของผมมันทาให้คนบางคนตกต่ําลงในทางจริยธรรมและแต่เราจะพูดนะพูดบาต้องดูดามาตะเรือน่ะอย่าไปบอกว่าถ้าความดีของเราทำให้คุณชั่วหลงโผก็ไม่ตาม ถ้าผมทําความดีผมได้ความดีโดยคุณได้ความดีโดยผมก็เต็มใจทำคิดว่า mm hmm. พูดชวนวิวาดหน่อยนะ mm hmm. แต่ถ้ามาความหมายเดียวกันนะ mm hmm. เราก็ก็ต้องรู้จักตเสียงแล้วกไอ้ดีเนี่ยวางทีเราบอกแค่ดีแค่หน่วยเดียวอีกหลายๆหน่วยเรายังทําไม่ได้อาจจะผิดพลาดได้อะไรได้ไงนะเราก็พูดไปตามเ mm hmm. ข้อเท็จจริงอ่ะแล้วก็ไอ้คำเสียงเราเนี้ยบนงีม่ให้ส ต, ติปัญญาเราเอา ให้ความยังคิดกับเขารัฐาของพกนี้แหะไม่ดได้นน แ, บบบบแต่รัาลก็มีสบายโยมแบแต่คงไม่เค ย, ย, ายาถามนะว่าหามใส่ห า, ามใส่ที <c oughs> นี้แต่ละคนจะตั้เองแตรละญาติแตล่าจะมีะะมมวความเป็นผูงพอแล้วก็อย่าใ <c oughs> ่จากนั น, นาถามในวันแต่ละวัน มาไปสอบในรัฐา็ี่นี่ทาก็มาเไปถามท่านอาจารย์สว่างกอย่างนี้นะาจารมาลยน่ยครด้รับคุณสบไหมอาจารย์เขบอกว่าเเขาเลือกต่เือนของเขาเราว่าโอกาสจะ่ให้เาถนะแ่ย่างนีนแต่ว่าตาเด็นีควริงอตนะความจริงมนก็จะดีนเขาบอกคราบไม่ชอบจะทำบุนแล้วก็จดีนะ แล้วแล้วพอเมีหนีพอใส่บาตรแล้วเขาเลิกใส่ไเขาเลิกใส่หรืเล่าเขาเลิกใส่เลยเพื่อให้เมียกลับจะต้องมาแลับ่ไเลยเลยไม่ใส่เลยไม่ใส่แล้วแล้วถ้ากะเห่างนี้ปลาบาปไหไปไปรับบาตรบ้านโยมเนีทำไมภรรยาเขหนีไปเนี่ยบาปไหมเดี๋ยวพมผมถามนี่ชวนคิดในยะธรรมะนะไม่ใย่มาหาเรื่องกับร้ายคือ บาปไหมเนี oh. uh ่ยเราไปอยู่ดีๆเราไปรับบาปเนี่ยเขาเสียข้าวด้วยแล้วเ็เสียเมียด้วยเงางาาามนี้ก็บอกว่าอาตมาไม่มีเจตนาี่ไปให้เขาเกิดบาปแล้วไปงถามอาจารย์อาจารย์่อไปอแล้วต้องไปแล้วเราก็ต้องงมัถ้าสมมติว่าเกิดสามีเข้ามาปรึกษาว่าหลวงพ่อเนี่ย จะให้ผมใส่ต่อไปไมแต่ผมใส่อีกรูกเขาอาจจะหนีไปอีกนีนก่นั่นแหละเมหนีไปแล้วะ่ะใส่อีกไม่ยอมหยุดเดี๋ยวรูปหนีไปอี ก, กอ่ะมันจะให้ผมหยุดหรือจะให้ผมใส่ต่อถ้าก็ามาป ร, ร, รึกษาหลวงพ่อจะว่าไงอย่างนี้ก็คงาตอนนี้ยังต่อก็ได้ไปต่อไปต่อถคือตรงนี้นบางทีเราก็ไม่อาจจะพูดได้แต่ว่ามันมันเคยมีปรากฏการณ์ที่พอเทียมได้หลายกรณีนะในสมัยเมืาอกานี้ การที่เราทําความดีเนี่ย่วันนี้ก็พูดที่ที่เกษตรมาแต่มันเรื่องใกล้ๆกันเมื่อทําความดีมันจะเกิดตบะกตบากเนี่ยมันจะขับไล่ไอสิ่งไม่ดีคือสิ่งไม่ดีบาอย่างมันคืนสภาพมาเป็นดีได้ก็ไปด้กันได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยทําดีจนสา ม, มีตาย <c oughs> น่ากลัวนะเนี่ย ถ, ถ้าเจ้าตัวเขาไม่รู้เนี่ยนะ เขาก็ก็คงไม่ได้กิดนะถ้าเขารู้เขาคงจะพยายามทําตัวให้ดีแล้วทําคือหมายถึงว่าอธรรมะเนี่ยมันเป็นตัวขจัดคือแก้ไขและขจัดบางอย่างเนี่ยแก้ไขได้แล้วแก้ไขพนดีถ้าแก้ไขไม่ได้เนี่ยพวกที่รูปเร็วๆนี่ยอย่างตายเลยนะมีตัวอย่างมาแล้วลูกที่ไม่ดีแล้วด่าพ่อหรอด่าพ่อด่าแม่แล้วแม่มาเข้าวัดทําบุญอมหน้าอมตาทําบุญ ทำสมาธิสวดมนต์ว่าจะเแต่รูปตายคือในลายที่เยียวยาไม่ได้สิ่งเลวร้ายอยู่ก็สิ่งดีไม่ได้นะเพะฉ้นสมัยก่อนเนี่ยก็มีจะเป็นนันนันท้าอุบาต ก, ก็ดีหัวใส่บาดเมียไล่ปลาเมียแกล้งปลาไปสคืออยู่ได้กะไม่ได้ไม่แยกก็ต้องตายอย่างไอ้แยกนี่เป็น่างเบาๆแหละแล้วก็ที่ผมเคยอาจจะเคยเล่าหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ, อคน แม่บ้านของของพวกเราคนหนึ่งได้สามีมีมาก่อนก็ไม่ข้าวัด น, นะคนให้ผัวเตะมาไม่รู้กี่สิบปีสี่ลูกเกินสองคนแ ต, ต่จนเอนอโอ้ห อ, อเสียหมดแล้แล้วตอนหลังจะก็มาทำงานที่บังเกินมาได้เจ้านายใจบุญก็ทำกับข้าสายบาทนะเจ้านายก็เอาเทศสรวจมนต์ให้ไปสรดวดมนต์บ้างอะไรบ้าง <c oughs> จนกระทั่ง ทำไปทำมาแกก็ยังดูแลสามีทั้งบ้านอยู่นะลูกตามแต่ว่ามาอยู่เทปสามีไปโดนเขาซ้อนตายเหมือนกันที่ทำกับกระตัววันตายนะเกจะเสียใจหรือดีใจดีเ <c oughs> อันนั้นทีนี้ก็ต่อมามาได้สามีมาอยู่เทปนะเนี่ยก็อยู่อยู่ทางแถวบังทนุนก็ยังที่าบางอ่ะอยู่ ได้สามีไม่ดีแม่ผัวก็เร็วมากแกปอนตู้เย็นเนี่ยแม่ผัวยืดหมดมีเงินเด้งเดือกก็โดนถลุงหมดแล้วก็แต่ไม่ถึงกับตีตกเหมือนอย่างสามีคนก่อนแกแค่เป็นคนดีเลยก็ก่อนกายังี้ยก็งองงหน่อยนะไอผมพูดอย่างนี้บางทีแกก็ไม่พอใจเหมือนกันนี คุณบุญเนี่ยคือก็ไม่เคไม่เ ค, มเคยจะกระจายอะไรมัาแต่เป็นคนดีบอกให้ทําบุญอะไรแล้วก็าตายจะก็ทํ า, า, าทบุญทําอะไรมากขึ้นมากขึ้นนะนะตามปัตตาแก่โดยมากจะเป็นลูกหมื่นลูกปีคนที่สุดเนี่ยมีวันสามีมันมาขอลาขอลาลาไปไหนมันบอกจะขอลาไปคืนดีกับเมียเก่ามาันอแกก็ ก็ตื่นขึ้นมาจะเสียใจหรือดีใจดีก็บอกว่านี่แหละถ้าได้หัวใหม่รับรองดีวันนี้อีกเยอะนเพราะว่านี่นะเพราะว่าบุญมันจะช่วยคนชั่วมันกลับตัวไม่ได้มันก็ทําไปไม่ผัแม่ผัวไปเออตู้เย็นได้ไปเอ็งหมอไปฟุ้งไปป้าแล้วที่แกอุตส่าห์สะสมตามปาษายัโจแล้วนะให้ไปแล้วแกตั้งตัวใหม่ทีนี้ ไอท้ทีแรกล้วก็เนี่ได้พูดกับตัวกันแ่ะววั น, นี้ทำไมชีวิตแกถึงก็ดูแกก็เป็นคนดี่ะแล้วทำไมถึงโดนเอาล่าท่าเกลียวโดนเขาปุกตีเอาเดือดร้อนอย่างนี้วันหนึ่งเนะ่ยผมรู้เลยแกบอกมาปรึก ษ, ษาบอกว่าเนี่ยลูกหนีแล่ะลูกชายที่มาอยู่กรุเทเพราะทำไมเนีอะ บาเีมันไปเที่ยวกับเพื่อนวันนั้นกลับมาดึกหน่อยอีกท่านเลยเอาไม้กับคดไีมันหวัวล่างทางแตกมาเลยไปเลยวกแกพูดเนี่ยแกนึกว่าแกทำถูกนะโ อ, โอ้าผมฟังแล้วผมก็ตกใจกว่า อ, อะไรกันเนี่ยลูกตั้งอายุที่ยี่สิแล้วแสดงว่าแกนี่มีความรุนแรงโหดร้ายเป็นบุปผังติดตัวมนาะแกถึงต้องมาเจอเรื่องรุนแรงแบบนี้ ที่แกแสดงกับลูกเนี่ยในขนาดลูกแลกยักทงทำขนาด น, นี้ถ้าคุณอื่นแกนมีสถินาภาพที่สูงกว่านี่แจะทําขนาดไหนบอกมีคุณต้องเลิกแล้วเนี่ยเจะตากรรมคุณเป็นอย่างเนี้ยแสดงว่าคุณต้องมีนิสัยแบบมีธรรมมา ก, ก่อนนั้นคุณพูดกับลูกใหม่ผมก็ต่อให้แกแฝงเมตานะฮะเวลาลูกเข้ามาก็พูดกับเขาใหม่ให้นึกในใจว่าเราเนี่ยลูกเป็นยังไงผิดถูกอยูท่ทล่เราเราต้องรับผิดชอบ ถาจะตีต้องดีตัวเองหมายจะโพดให้ที่ตีลูกถ้าพูดกับลกูกเรื่องต้องตีตัวเอง เ, เอ๊ทำไปทํามาอีกสักสองนาทีจะบอกลูกมาแล้วถ้าลูกมาคราวนี้เชื่องลูกเชื่องแล้วก็บอกอย่าไปทําอีกนะมันจะกูกูกันนะบอกว่าเนี่ยถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นอีกก็แก้ไขแล้วก็ คนที่เขาเปลี่ยนที่ได้ก็ให้แกดีแล้วได้ก็จะเข้าใจเราครงการเนี่ยประมาณยี่สิบ้าเยอะอ<น> ะ, ะไรประมาณ <นะ S 2> เดี๋ยวผมผมตอบของลุงพ่อ น, นิดหนึงเมื่อกี้คือนี้ถ้าเราหลอกเขาแล้วก็พูดอธิบายแต่เราไม่ไปยุ่งนะบอกเอทําเข้าไปนึกในใจเมียไปเมียไป ไ, ไปยุไม่ได้ให้ให้ทาใจเป็นกลางอย่ยหลักแต่ไม่ตานะ <S <S อะไเหตุผลอะไรยังไงมันควรจะไปเพราะ การประพฤติทำที่ดีที่สุดให้มันเป็นไปโดยธรรมและไม่ให้มีใครเดือดร้อนให้เขาจะไปไ้เก็เป็นใจไปกเขาเองแบบแบบหัวแม่นกนะเออให้เขาไปไปาเองอย่างนี้ยไม่ไม่ต้องมาปูกอาตาิให้โล่งไป่ไล่อะไรเต่านี่นะและความดีก็ทำแล้วถ้าโยนจะเรียกเขากลับถ้าปัดใจเขาไม่ได้จะทําบุญนะแล้วเรียกเขากลับกลับมาไล่เป็นคนใหม่และแต่จะว่าไปแต่ถ้าพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปพูดเดี๋ยวจะปืนใจ ทีนี้เอ็นเจเจนขยายมากไปไหมว่าเราควรจะไปรับบาตรของเขาต่อหรือไม่ในะนี้ผู้ผมองกำลังจะตอบแบบปุถุพจน์นะรกรณีอย่างนี้สมมติว่าผัวไม่เต็มใจเมียเต็มใจหรือโยมไม่เคยจะเต็มใจให้หรือลังเลลังเลอย่างนี้นะาบังเอิญหลวงพ่อไม่ได้ไปเมื่อวานนีไมีประสูตรที่ท่านบอกว่า สกุลที่พิกสูงเมื่อยังไม่ได้เข้าอย่าเข้าไปเมื่อเข้าไปแล้วอย่าอยู่นานคือสกุลที่ประกอบด้วยองคกาวแต่ว่าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีอยู่ว่าไม่ต้อนรับด้วยความเต็นใจนะแล้วก็ ของที่คุณใหที่ให้ไดนะ้มีของมากให้น้อยมีของประนีให้ของหยาบอย่างนี้ไม่ควรเข้าปพระพระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ัวรเข้าป่าก็ อ, อะไรไม่ใช่ว่าพระโลกนะแต่หมายความว่าถ้าเราเข้าไปกรณีอย่างนี้หนึ่งเขาเกิด อ, อ ก, ศกุศลจิตลำบากใจและเราก็ไม่ใช่เป็นคนไม่มีสติแล้วมีสติเรื่องอะไรเราจะไปทนเราก็ไม่สบายใจเขาก็ไม่สบายใจ เกิดบาดทั้งคู่สะเคืนไใบรับบิลาบาทคนแบบนี้มาฉันมือนั้นแล้วก็วิปฏิสารร้อนใจนั่งสมาธิติดเกิดใ่ไหมและคนที่สามที่เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นนะเออดูที่เขาไม่เต็มมาใจให้โยบุษามารับ อ, <c oughs> อย่างนี้นะเขาก็โทษเราอีนะ <c oughs> โทษเราอีกโทษเราว่า อย่างโนอย่างนี้เกิดทัุปสรรคอะไรกี่ไปอีกไกลนะมันก็ไม่เกิดประโยช น, น์นี้นี่พูดไในในหลักตัวไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าในบางทีท่านมองว่าปัจจุบันกับอนาคตแต่บางทีอนาคตก็อาจจะมองไม่ถึงนะะว่าบางรายเนี่ยถึงเขาไม่เต็มใจแต่ว่าตื่น้อาไว้ด้วยหมายรู้ว่าถึงวันข้างหน้าเขาจะสำเน็จได้ ถ้าเรารู้อย่างนี้นะพอนนันพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านก็ฝืนใจบรรดาวัคคีบอกไม่ฟังไม่ฟังท่านก็พยายามนะครัให้ฟังให้ได้โดคือก็ฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรมได้อลราวาห์กายยากร่ายแล้วอะร่รอีกไม่ไปท่านก็พยายามจะเข้าไปเกี่ยวข้องอนะ่ะวั น, นี้ท่านรู้หมดทีนี้ถ้าในรายที่เรารู้ว่าเ อ, อคนนี้มีหวังถึงเขาจะฝืนฝืนความรู้สึกหน่อยเนี่ยนะเรารู้ครับคนทั้งหมึ่งชนทั้งหนึ เดี๋ยวถึงจุดนั้นแล้วเราช่วยเขาได้เพราะว่าอาการเขาตอนนี้เนี่ยเป็นในเพียงผู้ทุรม ท, ทุลายด้วยพิษไข้อรืออีเดตันนั่นเองเราให้ยานเนี่ยวก็ค่อยๆช่วยเราก็ต้องบุญทำก็ก็โอนนั้น<ม>หนหีหยบมรดกอผลที่ทีนี้อที่พระท่านแนะนำนะครับก็มีเหตุผลในส่วนถูกนะครับว่า ีผลให้ส่วนถูกว่ากำเนึงในแง่ที่ว่าสามีเขาเลื่อมไสหรือใครเลื่อมไสเนี่ยคำเนึงในแง่ว่าเราไปแล้วเดี๋ยวจะได้บุญได้กุศลใงี้ยนะอาจจะมองในเงี้ยนนรนะเพราะว่าแม่ของาส่ตา่แล้วก็มาเป็นนแ่อาจจะมาเป็เป็นต้องไปนะแม่แม่ของาแว่าตตา ทีนี้อันนี้ก็มีเหตุผลอย่างอื่นแตบางทีสองคนเนี่ยไอจุดคำนึงบางทีเราำนึงถึงคนที่เป็นผู้ถือสึกเป็นผู้ใหญ่ที่สุดอย่างสมมุติว่าลูกไม่ชอบแต่พ่อแม่ชอบเนี่ยเราก็ไปเพราะพ่อแม่นะเราจะมาเอกียงลูกไม่ได้ในพูดถึงกรณีครอบครัวเดียวกันนะนี่ถ้าถ้าบ้านติดกันนี่ก็คนละบ้านแะ้วนะเราไม่เกี่ยวกันอ่าแม่พูดใส่เขาเูกชายคนหนึ่งแล้วก็สาม อุดนัาเป็นพี่ชายคนนี้เขเยาเขาือเื่อเรืองสมองร้อนอาจะมาพัดลมมาถวาแกะออกไม่ต้องแกะเส้นไหมเลยครับได้กินกันมา่นอไม้มันก็มันก็ยไปได้เพราะมกัวไปแล้แม่แล้วบางทีอย่างนี้มันมีกรณีที่ที่คนมาคึกชายเยอะ ว่าในครอบครัวเดียวกันเนี่ยที่ใจบุญทําแบบลุ่มหลงลุ่มหลงจนในที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยนะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอะไรเงี้ยนะทุกคนอื่นเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยเลยโดยเหตุผลอะไรต่างๆหลายอย่างเนี่ยนะเขาก็ยิ่งทําเขายิ่งไม่สบายใจคือหมายถึงว่าคนที่เขาอยู่ในในครอบครัวในกองสีอะไรเงี้ยเขาก็ห่วงกันนะ เขาก็ไม่สบายใจว่าจะทํำยังไงเนี่ยถึงจะให้พี่เขาเนี่ยพราไม้พรามือ ล, ลงมาบ้างนะพราะไปทําอย่างนั้นเนี่ยเขาเขาก็มีเหตุผลอะไรก็เล่าอะนะผมก็ไม่เลังจะทำพอาไม้ขรามือที่นี้ไอ้บางรายเนี่ยครับไอ้คนที่เป็นตัวปัญหามาปรึกษาทำยังไงเพื่อให้คนอื่นในครอบครัวเนี่ยเรื่มใส่มากเลยก็ได้จใจใจใครดู ทีนี้ไอ้ตัวนี้เราก็ต้องรู้ว่าไอ้้กรณีที่ผู้มาบึกษาที่เขาต้องการเนี่ยมันเป็นเรื่องควรไม่ควรยังไง<ม>บางครั้งเราก็ต้องอควบคุมคนที่เป็นตัวปัญหาที่มาบึกษาเราให้เขาเข้าไม้เท้า ม, าามือให้เขาทําอะไรอะไรที่มันก่อให้เกิดความสะดวกใจในลักษณะบางอยา่างแล้วก็ทําถูกอยู่แล้วคนอื่นเป็นฝ่ายผิดที่ไม่เข้าใจไม่เห็นาในตรงนี้ก็ให้ให้ให้ใหให ตัวเองเนี่ยทำอะไรที่เขารับการแล้วเป็นสะพานจุดเข้าขึ้นมาได้ไปทำเด็ดกันอย่ น, นี้นะท <c oughs> ีนี้ถ้าคนที่เขาไม่สบายใจมาถามว่าสี่เข้าพอเก้าไปเป็นยังไงจะให้ทำยังไงอันนี้ก็คุยกันเป็นอีกข้างหนึง่งมันก็ต้องตาออ่างกันไปนะ <c oughs> แต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นว่าการทําความดีเนี่ยจุดที่จะต้องบริหารเนี่ยนอกเหนือไปจากไอ้ความดีที่มันอยู่ในมือเราที่ เ, เป็นเหตุผลของเราแล้วที่เราต้องการจะทําให้สมบูรณ์อย่างไรเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยก็คือพัฒนาทัศนของคนรอบข้างอยากพูดว่าอยากไปกำลังหรือกูอื่ น, ม, นมันพูดได้ในบางการณ์นะี่นะแต่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจะไว้เราเองมีสายสัมพันธ์กับคนอื่นไอ้การทําความดีของเราในคนอื่น เขาได้รับผลร้ายได้รับบาปได้รับข้อดียหายอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยแต่ทํำยังไงเราทำหนึ่งได้เราด้วยได้เขาด้วยเราจะผ่อนปลดอะไรได้แค่ไหนเราก็ต้องพิจารณาแต่แม้แต่คนไี่เข้ามามาฐานเนี่ยก็มีปัญหาบางทีเมียไปผัวไม่ไปไม่ได้ไปไม่ได้ถึงกาบารกอแต่แหม่ไม่อยากให้ไปบ่อยนะครับบางทีสามีไปภรรยาไม่ได้ไปไอ้ตรงนี้่ะ จะทํำยังไงข้างฝ่ายไอ้คนอยู่ก็มาถามว่าทําไงถึงจะไม่ให้มีให้ตัวเข้าไปบ่อยนะักนะไอ้ข้างฝ่ายคนคผไปจะทําไงถึงจะทํำให้ที่บ้านก็ยอมให้ไปไง่ายง่ายเราจะาใจไข่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าถ้าเราอยู่ตรงกลางเนี่ยเราก็พูดกับคนนี้ให้ขยับขึ้นมาหน่อยคนนี้ให้ป่อยลงมานิดหนึ่งแต่นะะเราจะทํายังไงให้อีกฝ่ายหนึ่งเขาเขาอย่าสมมติว่า อะรอย่างไรหนึ่งชอบปฏิบัติมาแต่ไม่คยได้ผลสามีก็สนับสนุนแต่ว่ามีกรอบมีเกณฑ์อย่าบ่อยนกะเวลาจะไปดีบ่อยนะักระชับมีเสียงเนี่ยมีปากมีเสียงอะไรกันนะนี่ก็ถ้าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะปฏิบัติทำได้ผลแล้วก็ใช้พลังไปละลายความรู้สึกให้เขาชื่นชมอนุโมทนาด้วยได้เนี่ยเราต้องลดพฤติกรรม ลงมาแล้วค่อยๆดึงเขาขึ้นมาดึงขึ้นมาหมาว่าไอ้มาลองทํามาปฏิบัติอะไรเไปเขาจะได้สัมผัสอะไรบ้างแล้วก็ยอมเข้าใจเราอย่าให้มันเป็นเรื่องแตกหักมันก็จะเป็นการสร้างทัศนคติไม่ดีให้เกิดขึ้นกับคนที่เขาอยู่ทัางบ้านไอ้คนที่อยู่ท้างบ้างก็จะได้ไั่ไปทําอะไรที่เป็นการกีดกันคนที่เขาจะไปทความดี้ใช่ไหมกีดนะคนจะไปทำวันนี้วันนี้ไอ้คนอยู่บ้านไม่รู้ บางทีเราบอกว่าเนี่ยคุณโชคไม่ดีเลยที่ไม่ให้ผมไปปฏิบัติธรรมจริงนะเราบางคนเนี่ยให้พูดกับเขาอย่างนั้นได้เลยเพราะว่าการที่เราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยรู้ไหมว่าเราไปสร้างพลังได้ช่วยอะไรก็ขออนาดไหคุณไม่รู้ไอ้คนไม่ปฏิบัติไม่รู้ขอปอบอธิบายโอูโหอยากให้ไปเลยจนะรับไปเลยขอบคุณที่ไปอย่าไปนานๆ เราไปยินแต่นี่เราไม่ได้รอกนะจริงจริงจริงจริงฮะเรื่องเป็นไปได้และเนี่ยอย่างเนี้ยเราเรารู้เลยและถ้าเรารู้ว่าการปฏิบัติเนี่ยเรามีผลตอบ ก, กับกับคนในครอบครัวคนข้างเคียงต่อหน้าที่การงานอะไรได้เนี่ยนะมวลเขาอยากได้งานย้ายย้ายงานย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งที่มันดีกว่าเราช่วยฮะ ออกกลับมาโอ้โหย้ายเรียบร้อยแล้วย้ายเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราช่วยหรือเปล่ลาแต่ว่าเนื่องจากว่ามันทำกันมาบ่อยๆแล้ ว, ลวก็เลยรู้สึกเออมันมันมีส่วนอ่ะเราไปช่วยแผ่พลังใหอได้ย้ายสงปรารถนาแต่แต่ข้อสาคัญเนะีอย่าไปทวงบุญคุณหรืออย่าไปทําอะไรที่เดี๋ยวเกิดเขาบอกว่าไปปฏิบัติที่ขอให้พุ่นเขาขึ้นหน่อยอย่งนี้เราว่าเตะเทะ ยังเราละอย่าไปออกหน้าออกตามากหนักนะให้มันกะกะไว้บักเราจะได้มาเขาจะได้มาว่าเราได้ออันนี้เราก็ก็ได้พูดถึงได้พูดอันนี้กันได้พูดแล้วก็ได้ทดลองพิสูจน์กันยิงเตนกล้ายิงยิงทําล้ขึ้นมาก อาอยู่หน่อยนเอ่อตามาะเมตาอ๋อที่ใช้ในนี à, ้ใช enfin ่ไหมเมตาเจโตมุตคำว่าเจโตมุตเนี่ยมันแปลตามตตมว่าความหลุดพ้นแห่งใจตามตับนะแต่ตามความหมายก็คือความหลุดพ้นในสายสมาธิ ึ่หมายถึงฌานเพราะว่าคนที่ได้ฌานเนี่ยหลุดพ้นจากกิเลสแบบวิคัมปน า, าหานแบบคมไว้โดยใช้วิธีแผ่เมตตาจนได้ฌานการได้ฌากนกำหนดอารมณ์หลายแบบครับเัญหาชวอนตานะผมปั๊มทุอย่างเอ่อเาพ้าแต่ไม่ตา การให้คนส่ความสุขให้คนรูเลยความหมายว่านี้แต่ที่ผู้บรรยายนี่กรอนเป็นเขาระบุว่าความให้ตาตาผู้ศรัทธาการทำทารการทำบุญ้เหมือนกัการาสให้ควางสุขความสุขก่ระเทศส่วนส่วนให้คนสิ่คนคากันคือคือการอะไรการรูาและก็ส่วนอ่มิจากคส่งความคือเลยปัใจ ก, กับกบาบรทีความเรงกระเดนใจวเอ่อเขานยาเขาครับวนี้ผ ม, มเลยงสยาแล้วความหมายของการตาไปไปในในเสียรอ า, ารหคือ อ, อ, อ่าสิา่งที่ถามเนี่ยผมเข้าใจแล้วก็มีข้อมูลมีคาอธิบายที่ชัดเจนสามารถอธิบายได้นะฮะทุกทุกอย่างเลย จริแต่ว่าตอบแล้วผู้เรียจะมีส่วนร่วมแล้วฟังได้แค่ไหนผมจะลองตอบแบบสั้นๆดูนะค <c oughs> ว่าเมตตากรุณาเนี่ยเข้าสองตัวนี้พูดเนี่ยนะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่มีต่อผู้อื่นถ้าเป็นความกรุณาได้แก่สงสารครับความรู้สึกสงสารการแผ่ความสงสารออกไปนั่นเรียกว่าเมตตากรุณาแผ่กรุณาจะสงสารเขาด้วยปัญหาอะไรก็ตาม แต่ถ้าเป็นเมตตาเนี่ยหมายถึงความรักความอยากให้เขาได้รับความคึกแค่ในทางบวกอยากให้เขาได้รับความสําเร็จแม้อยากให้เขาพ้นทุกอย่างไงก็ตามเนี่ยแต่ว่าถ้ามีความรู้สึกรักรักกับสงสารเนี่ยมันใกล้กันแต่มันก็แยกกันได้นะเกิดความรู้สึกรักบางครั้งเนี่ยเขาเป็นทุกข์แต่ว่าใจเราเป็นความรักก็มีไม่ได้สงสาร บางครั้งเนี่ยเขาอาจจะเหมือนไม่ได้มีความทุกข์แต่เราสงสารจะมีเพราะว่าเรามองเห็นทุกข์ลึกๆอย่างพระพุทธเจ้าเห็นเราคู่อยู่ดีมีสุขกําลังป้อนลำขับรองอยู่เนี่ยสวมแหวนเพชรเม็ดงามๆอยู่หรือแม้แต่ว่าอยู่บนเวทีของงานความเป็นคู่บ่าวสาพระพุทธเจ้าสงสารสงสารด้วยเหตุผลที่ท่านมองเห็นเราเรียกว่าเป็นไอความทุกข์ลึกๆเนี่ย คนที่มีภูมิปัญญาลึกมองเห็นมีปัญญาตื้น ม, มองไม่เห็นก็เป็นเมตตาเป็นกรณาอยู่ที่ความรู้สึกและอารมณ์จะเป็นอะไรนั้นไม่เกียงแต่ว่าที่ฟังมาทางพิธียุน่าหมายถึงสิ่งที่เป็นอารมณ์หลักๆที่เป็นเกณฑ์ปิจารณาแต่เป็นมุติตาก็เป็นความรู้สึกชื่นชมยินดี เรียว่แมุกติตาคงจะเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเราหยุดเตือนหยุดเตือนนะเขาเขียนเขาเขียนหยุดหยุดตามวาดาวกะเพราะฉะนั้นข่าวหน้า จ, จะเป็นเป็นปริศที่เรียกว่าเมตตาการณีการณียาเมตสทุที่เราเคยได้ยินนะแล้วเนื้อหาในนั้นเป็นอะไรแล้วก็ขันธปริตการแผ่เมตตาปราบสัตวลายปราบคนลาย ว่าท่านพูดไว้ยังไงแล้วก็อธิบายแล้วจะได้มาชนกับที่ผมให้เปไปแบบใ น, นเกิฑประยุกต์ที่ผ่านมาสวันนีขอยุดดติีวัสดีนะ